เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้จบป ร, รารถนาที่สองบทที่หนึ่งก็แลแต่ตอนที่ทมที่สองขอควรทําที่หนึ่งขขให้หนึ่งครับสรุปนี่เดียวน ะ, ะตรงที่ว่าหน้าสิบสองนะครับเดี๋ยวผมจะพูดสรุปให้เองครมาฟังก็ได้นะตรงที่นิมิตนะครับที่ทําให้เป็นอาลัยบัตรป ร, รารถนะถ้าเอาในสติระนะครับที่มีชีวิตก่อนถ้าทวารนาษาษุสสารสิเลยใช่ไหม แม้แต่ทำของตัวเองะครับก็เป็นปราชิพทั้งนั้นนี่ทีนี้เขบอกว่าแม่นิมิตรงนั้นน่ะถูกปาดไปแล้วนะเนือถูกลอกไปแล้วนะครับเป็นกหลกหนังแต่ว่าสาัญญาณนิมิตยังปากดอยู่ถ้าไปเสกที่นั้นก็ยังเป็นปราชิพนครับอันนี้เรียกว่าเขตอย่างปราชิพนะครับอืแล้ะก็ที่เป็นเขตอย่างถึงว่าใจได้แก่อะไรบ้างพวกที่เป็นบาดแหลครับบาดแผลหรือว่าในในี้มีตรงนั้นแหละนะ เขาเชื้นออกไปนะครับแม้แต่สั้นานี่ไม่ก็ไม่สำคัญถ้ายัางเปเศคนนั้นได้าก็ถือว่าเปรศกับแผลหรือแม้แต่แผลที่อยู่ก็แล้วแต่เราเปรศเนี่ยอวบัตดก็จะเบาลงจากสราชิกต้องลงมาเป็นสมมติใจถ้าไปทําที่แผลนะครับแล้วก็อานะครับที่แผลตาหูจมูกนะนะแล้วก็ลวงกระชาติของพวกผู้ชายนะตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอวบัตดสมมติใจ อาบัตถุจิตวิทีนี้ที่เป็นอาบัติทุกข์กดนะครับคือตรงไห น, นอันนี้ไรประราเชตนะอันนี้นจิตวิญนะครับประราเชตจิตวิตญาระหว่างไปแล้วแผลนะครับอาหูวจมูกแล้วก็หัวไส้จิตวิญญาครับหัวไส้เนี่ยรวงพระชาเนี่ยจ้ะการสัมพันธ์เห็นว่ารวงกระชาะครับอีที่หนึ่งก็อธิบายว่า หรือว่าฝ่าองค์ชายชของบรุษก็ได้ครับคือมันจะมีหลังหุ้มใช่ไหมครับก็คือสอดเข้าไปตรงนั้นนะครับที่หนแต่ไม่ได้นิดเดียวสอดไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นนะแลหมายถึงฝ่านะครับที่ตรงหนังตรงนั้นนะสอดเข้าไปนะครับอย่างนี้เขี้ยป็จบทั้นนะอย่างนี้อันนี้ก็ยังเป็นหลักใจแล้วเอาไว้ว่าส่วนไหนเราเคยทำอะทุกกดที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็มีซอลรักแร้นะวางขา แต่ดือมวยผมนะครับที่นิ้วมืออะไรก็แล้วแต่นะที่นอ่องหรือที่ว่าเนี่ยอันนี้อาบันก็จะเบาลงนะครับหรือให้ทุกกด<ม>ครับเน่าไม่เน่าไม่เกี่ยวครับเลยแผลเ น, นี่ยนะ<ม>ก็จะต้องถึงกใจครับครับแต่ น, นี้ถ้าเป็นของศพอีกอย่างนะอันนี้เราควรเป็นก่อนนะครับเนี่ยก็เป็นปา ร, ราเชติลล์ร้ใจแล้วก็สปารา ท, ทุกกด เก็บที่ว่างมาครับแต่ถ้าเป็นของศพนะถ้าที่ปลาชิปก็ยังคล้ายกันนครับเอในทวารสามสิบเลยนะของศพนะที่ยังดีๆอยู่เลยเป็นเศษเนี่ยอันนี้ก็เป็นปลาชิปครับนะยังดีๆอยู่หรือแม้ว่าถูกสัตว์ ก, กัดกินยังไม่กันกินเลยครับหรือถูกสัตว ก, กัดกินด้วยน้อยครับดยมากยังดีๆนะถูกสัตว์ ก, กันกินแค่นี้หน่อยครับอันนี้ก็ยังเป็นเขตของปลาชิป ถ้าผูกสัตว์กัดกินไปแล้วครึ่งหนึ่งตรงนี้มินทีงทวารแหละผูกสัตว์กัดกินไปแา้วครึ้งหนึ่งหรือว่ากัดกินเลยมากแล้วก็เป็เศษตรงนะั้นอันนี้อัมบะ ก, ก็จะบาลงเป็นถุงละจ่ายนะครับนี่เดียวสร้างสมนะทีนี้ถ้าถ้าสร้างสมนั่นขึ้นอื่นขึ้นพองเลยมัน้งะครับที่ว่านะขึ้นอื่นขึ้นพองมวีวัยวันหัวเขียวตอมีหมูน้อยคาค่ํานะครับมีกลิ่นรงอะไรนี่นะ ถ้านั่นนะตรงไหนก็แล้วแต่อาบัตสบาลลงมีกระดูกกบครับก็สรุปให้นะครั บ, รนะรบในปลาชีพนวดใจแล้วก็ทุกกฎของที่เป็นสร้างศพนะครับแต่ถ้าบอกว่าถุงนวดใจมีอีกหน่อยนะในลิ้นที่แรกออกมานะครับแลกมานอกปากนะแล้วก็ฟันที่อยู่มานอกปากเย่างนี้ก็ยังเป็นหนวใจครับสรุปให้นะครัรก็นะ จบนะจบัดี๋ยจบสองข้อก่อนนะข้อเสเมสุแลวก้อนทินาทานผมว่ายังตั้งปัญหาทางอีกนะครับทีนี้ก็มาดูร่างพิณทินาทาสุดท้ายหมดเลยปล่อยมาในวารสาวิธีกันนะครับเราจะมาดูหัวข้อสุดท้าบท ก, ก่อนอยู่หน้าหนะึ่งร้อยสสแปดสองหน้าศึกษาบุที่สองพิสูรรูปใดถือเอาซึ่งสิ่งของ ที่เจ้าของไม่ได้ให้ร้อยสี่สิบปนะครับที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยการขโมยจากหมู่บ้านก็ดีจากปั่งก็ดีพระราชาทั้งหลายจับจับโจรได้ในเพราะการลักซึ่งสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อมีสภาพเช่นไรแล้วพึนปัะหารก็ดีพึงจองจําไว้ก็ดีพึงนินแลรแทศก็ดีด้วยความกำลังว่า เจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนเลวเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยแม้พิสูจน์ที่ลับเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อันมีสภาพเช่นนั้นก็เป็นผู้พ่ายแพ้ไม่มีสังวครับทีนี้มาดูคาที่ว่าผมจะที่บ้านมาข้างๆก่อนะครับพิสูจน์ดันเดิมนะเชื่อสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยการขโมยนะครับด้วยการขโมยเนี่ยอันนี้สิ่งของที่เจ้าของไม่ให้นะครับ เอาของเป็นของมนุษย์นะครับสิ่งของของมนุษย์นะสิ่งของที่ก็หวงแหนรืบสานสิบครอบครองอยู่นะครับยังเมื่อได้สลาะนะยีงไม่ได้ทิงยังไม่ได้อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นของของมนุษย์นะครับอะไรนะครเท่านั้นครับของมนุษย์เท่านั้นครับถ้าเป็นของอมนุษย์ก็ดีของปล่ก็ดีไม่ได้ของธรรมดาเนี่ยถ้าไปขโมยก็จะไม่ต้องปรารถนาสิเนี่ยะครับไม่ต้องนี่ก็ของมนุษย์เท่านั้น ไปม <PTSD> <rok. S 1> ืยแล้วก็ต้องปรารถนองของจรงดีขอรับของอรับองพรใช่ครับอันนี้ก็มือกันครับมือก็ไม่ได้นะเรื่องของมรนนะครับจริงดีของารามขงศาเพราะมีของมร่นนะครัใช่ครับมรุ่นหงษ์แหนครับก็พิสูจน์ที่ในวัดนะครับ สงที่อยู่ในวัดหมู่ข้างหน้าหรือคนที่รักษาดูแลพระเจดีย์นี่เพิ่งทไม่ได้ครั บ, รบ <c oughs> ตัวสร้างของเปเอมนยซัามนะันเนส็จหงแหนเวลาช้าหงแหนนี่ก็ อ, อยู่ในอาาบัตเลยนะไม่เป็นอาบาบาทเลยครับไม่เป็นอาณาบาทเลยนะนนาายนะแต่ที่ถ้าจะบอกไว้นะครับถึงแม้เป็นอาาบัตที่จริงแต่ว่าไม่ควรครับเดี๋ยวจะมีความที่บานนะตอนน่อในอาาบัตทนะครับแต่นี่ให้ดูไว้ก่อนแล้วมีคําว่าด้วยการขโมยตัวนี้นะครับ ไม่ต้งบอกว่าถ้าเราไม่มีจิตคิดจะขโมยก็ไม่ต้องอาบัติเพราะการถือเอเถือเอได้หลาอาการใช่ไหมครับไปถือแบบขอยืมก็ได้ของเราไม่ได้บอกเจ้าของแต่ว่าอาจจะคุ้นนะนะเราเอามาก่อเรื่อทำจะว่าข อ, อยืมเจือเรื่องวิสารสะอาศัยความคุ้นเคยก็เอามาใช้นะครับเจือเรื่องนของบางสกุลคาดจะว่าเขาจริง น, นะกขาไม่เอาแล้วนี่นะแล้วก็ไปถือออกมาครับอีกทางวัตถุ น, นะอีกทางวัตถุนะครับ ไม้ของปลาคุนาติวัตถุนี้ต้องอสานกันนะวัตถุนี้ไม่มีเจ้าของยังถึงกก่เราแต่บางสกุณไม่ตองพูดอะไรก็ได้นะแค่เรารู้ว่าไม่มีเจ้าของอนะด <c oughs> ด้วยสง้์มีเจ้าของนะก็เอามาอันนี้ก็ ม, มีการปัอ้อาบัติเพราะฉะนั้นก็เลยมีคําว่าเธยยังสังขาตัางด้วยการขมูลอยู่ไปไหนจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดีเพราะคานี้เป็นอนุบัญญัตินะครับ เพราะว่าจาบหมูบ้านก็ดีจับป่าก็ดีนะเพราะว่าตอนหลังนี่ยพระชปาคีอ้างเล่พอพระเจ้ามันหยาดอีกครั้งนี้แล้วนะแกก็ไปขโมยของในป่าเลยอ้างว่าพระเจ้ามันหยาดเนี่ว่าอ่าเป็นประการที่จะพาะขโมยของในบ้ า, านะครับแคอ้างเล่แต่ความจริงไม่ใช่นะครับเสมอการทุกที่ขโมยเป็นประกรที่เพีเทานั้นพระองค์าา ก, ก็เลยมันหยาดมากจาบหมูบ้านก็ดีจับป่าก็ดีนะครับไม่ได้ทยากนะ พระราชาทั้งหลายจับโจรได้ในเพราะการรับซึ่งสื่อของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีสภาพเช่นไรแล้วอันนี้นะนะครับแล้วก็ปัญหาจองจำในเทศตรงนี้นะ อ, อตรงนี้หมายเอาพระเจ้าคุณพิสารนะครับพรองเดียวนะไม่ได้หมายอาพระราชาพระองค์อื่นนะครับเห็นที่ว่าจับโจรนะในเพราะการขโมยทรัพย์เท่าไหร่ยใช่ไหมและก็มาลงโทษอย่างนี้นะครับเพ่สูจน์ขโมยทรัพย์เท่านั้นแหละนะเป็นประราชิษ ซับนั้นก็คือราคาห้ามาศกับแค่ราคาห้ามาศนะครับก็จะถูกลงโทษนะนะในสมัยนั้นนะครับในราชอาณาจักรของพระเจ้ากิษานะเขาก็จะมีการลงโทษ ก, กันนะแล้วแค่ห้ามาศหนึ่งบาทเนี่ยนะจะลงโทษนะครับนะถึงปัญหาจองจำในประเทศนะครับปัญหาเนี่ยตั้งแต่ว่าทุกปีนะทาลายนะครับ่ยถึงขนาดท่านปะหาชีวิตเลย จองจำก็จำจากักขังก็ดีนะมีโซ่มีตัวหรือว่ากักบริเวณกระต่นะครับในแระทศออกจากวันคว้ายไปเลยหรือจากมูบ้านที่พรมคนครนักแต่งนะในประเทศอันนี้คือสร้างไว้ห้ามาส่งในนั่นนะอันนี้พิสูจน์ที่เราเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีสภาพเช่นนั้นก็คือใหอ้ห้ามส่นะครับเป็นผู้พ้าแพ้ไม่มีสัง ว, วะนะครับก็เป็นประการเช่นนะี้พ่ายแพ้นะครับ แล้วก็งานไม่ได้แล้วถ้าใช้ก็การผู้ไม่ใช่สมณะไม่ใช่เชี้ยวาาปุ่นนี่ประสาทไม่มีอะไรในประสาทชิคนี้ท่านก็กลับมาผู้ที่ต้องประสาทชิคนะนะครับเหมือนกับอะไรใบไม้เหลืองที่หล่นจต่คั่วแล้วครับใบไม้เหลืองหล่นแต่คั่วแล้วไม่สามมันจะเป็นของที่กลับเขียวสดขึ้นมาอีกได้สัมได้ที่นี่ครับผู้ที่ต้องประสาที่นั่นก็ชนะเหมือนกันนะก็จะแล้วก็งานไม่ได้ ก็เป็นผ hmm. ู hmm. ้พ้ายแท้ครับพ้ายแพ้ไม่มีสัว่ามันเป็นสมณะไม่ใช่เสืษอสายศาสนาุตธนะเนี่ยนะบคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวโอ้เพราะนี่มันาเอียนเยอะนะเพราะนี่ไม่ได้ใช่อย่างเหมือนกันนะครับบางอย่างมันเลือกนะต้องคอยดูให้ดีบางทีคนถามในนี่มุมนะครับโอหลายอย่างนะถือว่าซับซ้อนแล้วก็บางทีถ้าเราไม่ระวังที่ดีโอกาสจะไปโดนเข้านะครับเป็นได้ พ่อหลาอย่างไหกรกรณีมากอะไรนะพอนี้เนะ่ยอย่างเช่นเรื่องด่างาสีอะไรนะเรื่องนิคเซตอะไรนะี่นะไปนิวบาลอะไรนะอย่างเงี้ยหลานอย่างอย่างเช่นว่าเนี่ยผมยกตัวอย่างมานะสมมติว่าเกี่ยวเรื่องเอาของนะเราเห็นของของข้าวคนหนึ่งนะเราเกิดโกรธผู้มาอาจจะเห็นแนนะใช้มือถือแล้วอาการเหมือนไส้แน่นโทรมือถือโทรสัมทุกวันนะ่ะเราก็เลยเป็นความือถือแนนเพราะอย่างนี้ ให้แตอะไรครับกระจายไปเลยนะ่นเนี่ยแล้วถ้ามือถือมันได้ราคาได้ราคาของนี่นะนี่จะเป็นปลาที่คุณภาอยเลยโอ้ <c oughs> ปลาตรงนี้เนีเีมจะได้ินิจฉยกันครับก็ไปดูที่จิตนันงียฮะนี่นะโยนประเด็นเฉยนะว่าเนี่ยมินิจฉยยากนะเราก็ม่ได้มีจิตใจนะอ่าวอตที่จะทาลายไม่ชอบใช่ไหม ไว้เป็นประ เ, เด็นที่ทีออาาละเดลยวค่อยตาหลับนะต่อไปนะครับก็ขึ้นมาดูในการขาออหน้าชี้ก้นสองอธิบายอธินาทานศิษฐาบทพึงสราอธิบายในปราชีติขาบทาที่สองต่อไปตั้งแต่ศิษฐาบทที่สองไปเนี่ยผมจะเล่านิทานต้นบรรยัติ ก, ก่อนเลยนะครับเล่านิทางต้นบรรยัต ก, ก่อนเลย ได้พ่ออธิบายเรื่อึกุขาบุตรนะคือละเอียดจริงเรื่องนี้ก็มาจากเรื่องพระธนิยะกลุ่มภาคการะบุตรนะครับภาคลุ่มนี้ท่านชื่อว่าธนิยะท่านเป็นรูปของช่างหม้อนะในชื่อว่ากลุ่มภาคการะบุตรบุตรของช่างหม้อนะครับทางกลุ่มภาคการะบุตรนะครับสมัยนั้นพระเจ้าของเราประทับอยู่นะครับที่ภูเขากิจกูเข็มพระนครก็คือครั้งนั้นพระหลายรูกในตอนที่เป็นเพื่อนกันนะ พอคุ้นเคยกันนะครับทํากุฏินะคมุดมงด้วยเราทากุฏิมุงบังด้วยยากธรรมดานะกุฏิยากาคาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปจำพรรษาอยูที่ผูเคาอีสิทธที่นี่แม้ท่านพระธัญญาก็อยู่ในจํานวนนั้นด้วยนะครับก็ทำกุฏิมุงด้วยยากแล้วก็จำพรรษาอยู่ด้วยกันทีนี้นะครับพอจำพรรษาครบสามเดือนม่วงไตามากไปแล้วนะที่เหลืองหลายก็รื้อกุฏิรื้อกุฏิมุงด้วยยญ้านะครับ เก็บหญ้าแล้วก็ตัวไม้ไว้แล้วก็ไปอยู่ที่จาริกเป็นสุรบดนะครับแต่ท่านพระธัญญานะครับไม่จาริกประดับขนะ้านะท่านก็อยู่ที่นั่นแหละนะครับอยู่รเรื่อยเรื่อยตลอดเรื่ฝนตลอดเรื่อยร้างตลอดเรื่อยร้องนะครับท่านจะชอบที่นั่นนะอันสับมาย่างก็จะอยู่ตลอดนะครับทีนี้ก็มีวันหนึ่งขณะที่ท่ากนกาลังท่าน บ, บิณฑบาตในหมู่บ้านของเรบพวกคนหามยากคนหาปืนเนี่ย ก็เข้ามาใช่ไหมก็เจอติท่านบดีใยได้รือกูดีนะครับมุงบางด้วยหญ้าเสียแล้วขนหญ้าและตัวไม้นะะถ้ากลับมาอา้าวกูตีหายไปแล้วโดนรือทั้งหญ้าทั้งไม้นะก็อย่างไรนะครับพของพวกนี้ก็เอาไปทําอะไรได้ยังเป็นขาอะไรได้นะครับนะพอนะท่านก็แม่และความพยายามนะท่านกะ็ไปเที่ยวหาหญ้าเที่ยวหาไม้มาทำกูดีหญ้าใหม่ะครับทำอยังสิเหลนนะ ทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแม้ค่ั้ที่สองแล้วท่อนข้าวมิคาบาพวกนี้ก็มาลื้อสุตติปอยนะครับ <S <S ท่านก็สร้างมาอีกครั้งที่สาแล้วก็มาลือ้อไปอีกครับถึงสามพันนะโอ้ท่านมงไม่ไหวนะาีนี้ไม่ไหวแล้วนะครับจะทำไงดีเนี่ยท่านก็เลยคิดว่าอย่างนี้นะครับนะก็เรานี่แหละเป็นผู้ได้ศึกษามาดีแล้วไม่บกพร่องเป็นผู้สําเร็จศิลปะในการช่างม่อเสมอเรื่องอาจารย์ของตน ดิฉนั้นเราควรขยําโคลนทําบุตรีสําเร็จ ด, ด้วยดินล้วนตัเองครับถ้าคิดอย่างนี้แรกก็ลงมือเลยนะขยําโคลนทําบุตรีสําเร็จ ด, ด้วยดินล้วนด้วยตนเองแล้วรวบรวมหญ้าไมา้และโคลไมมาเผาบุตรีนั้นนะครับก็คือปั้นนะขยะําล้แล้วก็ปั้นกองเป็นกุฏิขึ้นมานะทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็เผาเนี่ยเผาเาอาเผาเสร็จบุตรีนะั้นกองมาหน้าดูหน้ า, นาชมมีสีแดงเมือนมล็ดข้าวโพด เออแมงเม mm ่านะหมงคล้องทองคือแมงเม่าออกมาสีแดงๆท้ากับปีกลายคล้องๆนั่นะครับเวลาต้องลมรมกระทบนะก็มีเสียงมอนกระดึ่งกระดึ่งเป็นยังไงครับท้ายกระดึ่งนี่หว่ากระดึ่งนะครับหัอกระดึ่งนะเอครับเนียนทํามกุดิอย่างนี้ความซีกุฏินี่นะครับมันไม่ไม่ได้เป็นดินทั้งหมดหรอก พวประตูหน้าต่านแล้วก็หลังคานะก็ยังเป็นไม้เป็นหญ้าอยู่ครับแต่ว่าที <itsu hyper hazardous> ่เดกก็จะเป็นดินทั mm. ้งหมดนะเนี่ยเปอยเพราะว่าท่านจะเป็นช่างโม่เก่าเมื่อก่อนนะครัสามารถทาได้พอดีที่พระพาลเจ้าเนี่ยเสด็จลงสัมบุคขาที่ชิบูทพ้องที่สุดเป็นอันมากก็ได้ทอดพระเนศเห็นบุดีนั้นนะครับแล้วก็เลยตัดว่าดูก่อนพิสุทธ่์ทั้งไว้นั่นอะไรงดงามหน้าดูหน้าชมมีสีแดงเหมือนเมลายข้อมทอง พิสูจนแล้วก็เล่าทูนัสังสานนะผู้รองก็ทรงติดเตียนนะทรงติดเตียนพระอัครทัณยานะคะโดยในปริยญาหาใหญ่างครับแล้วก็ตัดว่าชะไหนโมฆะบุญนั้นจึงได้ขยําโคลทำดูดีสําเร็จด้วยดินหรือว่าด้วยตนเองเล่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายความเอนดูความอนุเคราะห์ความไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้มีแก่โมฆะบุญนั้นเลยเพราะเวลาเอาดินมาขยำ ม, มาอะไรใช่ไหมมันก็จะมีสัตว์ตัวเล็กตน้อยที่อยู่ในดินใชครับ ก็ย่างตายไปเยอะนะนี่ก็เป็นการไม่เอ็นดูสัตการเบียดเบียนสัตว์ไปนะครับพระองค์ก็เลยสั่งให้เนี่ยพวกเธอจงทําลายหุดีนะั้นพวก เ, เพื่อนพรหมาจารีชั้นหลังอย่าถึงความเบียดเบียนสัตว์เลยนะอันพิสูุไม่ควรทำกุดีที่สําเร็จด้วยดินรู้ว่าพิสุจน์ในคำตั้งอาวัติทุกตกนะครับพิสูุนทั้งหลายก็เลยลื้อกุฏินั้นออกหมดแล้วก็พวกนั้นทําลายกุฏินั้นนะครับหมดเลย อิปารตเนียกลับมาเห็นเข้าก็เลยถามว่าพวกท่านทำลายกุฏิของผมเพื่ออะไรที่ต้งหลายก็ตอบว่ามุขภาคเจ้าร่าสั่งให้ทำลายขอรับท่านก็ยอมรับว่าพระพุทธเจา้าตัดอย่างนี้นะทําลายเถิดขอรับถมม้่ามุขภาเจ้าจผู้ธรรมาสามีรับสั่งให้ทาลายท่านบอกว่ากุดีอย่างนี้นะอย่าวาแต่ทําเองเลยครับแม้ได้มาจากการที่คุณข้อทําแล้วก็มาถวายนะก็ไมนควรใช้สอยนะครับ ก็ถือว่าเป็นธงชัยของพวกอันจใ น, นาทียูอเป็นตัวเนรรัต น, นของพวกอเนจินาทีนะเขาอยู่อดีตยังนี้ครับอนเดียดีท่านทำอย่างนี้น อ, อือใช่อดีตดินร้อนที่มาปั้นข้างหลัง น, นี่นะไม่ไน่าครับทีนี้ท่านก็ทายังไงเนี่ยกุฎียากเขาถูกรื้อไปกุฏิดินก็ถูกทุกหน้าทลายหมดนะครับทำยังไงล่ะท่านก็เลยมีความคิดว่านะครับออนะครับ ก็เจ้าพนักงานรักษาไม้ที่ชอบพอกับเรามีอยู่ฉะนั้นเนาะเราคุณขอไม้ต่อเจ้าพนักงานรักษาไม้มาทำกุฏิไม้เราบ้กที่ก็เลยเข้าไปหาเจ้าพนักงานไม้รักษาไม้เหล่านั้นนะันก็เลยเข้าเราเรื่องฟังทั้งหมดนะั้นแล้วขอไม้พวกนี้ก็เลยบอกว่าไม้ที่จะถวายพระคุณเจ้าแนละ้วไม่มีรองไม่แต่ไม้ถึงหลวงซึ่งเขาหลวงแผนไว้เอาไว้สำหรซ่อแปลงพระ น, นครก็ เวลาเกิดอันตรายครับขํามขันนี่นะนะครับก็เอาไว้ถวายไม่ได้หรอกแต่ว่าท่านเจ้าแผ่นดินรักษาให้พระราชทานไม้เหล่านั้นขอท่านจงให้คนขนไปเถิดนอกจากพระราชทานทีจะทานให้ขนไปได้ปัทมิยะก็ตรัสว่าอาก็บอกว่าขอเจริญพรไม้เหล่านั้นท่าเจ้าแผ่นดินพระราชทานแล้วเนี่ยเนี่ยนเจ้าพนักงานนั้นก็เลยคิดว่าพระสมมาสีสัจพระกยะบุตรเหล่านี้ เป็นผูป้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์ต่อคําสัตว์มีสีมีปริยนธรรมท่านก็เลยเชื่อนะครับว่าพระเจ้ามีสัตว์จริงนะกเกรงอ น, นุญาตให้พระเจนุญาตโห้ขนไปท่านก็ให้คนอ่ะมาช่วยขนไปนะครับมันต้องเวียนไปเลยนะพอไปเยอะอ่ะแล้วก็เป็นสร้างดีหมดท่านต่อจากนั้นนะครับก็วส ก, การะพาหมนะเป็นมหาอำมาตในแควายมุขคนนะครับในมุขคนรัต เป็นตัวราชการในคุนราชกาคือแล้วก็เข้าัญหาเจ้าพนักงานไม้เหล่านั้นแล้วก็พูดว่าพนายไม้ของหลวงที่สูนไว้สำหรัซ่อมปลายพนพรซึ่งเก็บไว้เพื่อใช้ในครามอันตรายเหล่านั้นอยู่หน้าที่ไหนเจ้าพนักงานเหล่านั้นก็บอกว่าเนี่ยพัฒนียาเอาไปแล้นะพระราชาพระราษารได้แก่พัฒนียสคุ้มครองการบุไปแล้นะครับมหาอมานี่ก็ไม่พอเจ้าเอ๊พระราชาเนี่ยพระราษฎรให้ได้ยังไงมันเป็นไม้ที่มีประโยชน์นะ พอว่ายซ่อมไปที่นครเวลามีอันตรายนะครับก็เลยกราบเข้าหาพระเจ้ามิศาลก็เลยถูนเรื่องนี้สั่งนะครับพระเจ้ามิศาลก็เลยตัดว่าพามท่าเช่นนั้นเนีะพระเจ้ามิศาลตัดว่าใครพูดอย่างนั้นเจ้าพนักงานรักษาไม้ที่ทุกทุก่าเจ้าข้าพามท่านเช่นั้นท่านจงให้คนไปนําเจ้าพนักงานรักษาไม้มาราสชการรัฐมหาอัหามาเนี่ยก็สั่งให้ไปจับตัวเจ้าพนักงานมาเลยแล้ว คุณยมจำมาเลยนะจํมามันจองจำมาเลยพอพัฒนียาเนี่ยเห็นเจ้าพนังงานเหล่านั้นถูกจับตัวไปนะครับท่านก็เลยร้อนใจอยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็จะไปช่วยเลยครับก็เลยไปถามว่าเจ้าพนักงานรักษาไม้กระถามว่าทำไมถึงถูกจับเขาบอกว่าเพราะว่าเรื่ไม้อะไรนะครับท่านก็เลยตามเข้าไปพอไปก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าปิสารนะครับและก็นั่านนั้น อาก้จ้าพิสารจอมเสนาเมขล่านะครับเสด็จเข้าไปหาท่านพรัฒนียะคุณพากาลทรที่ว่ากระทรร น, นั่งนั่ที่ฝุ่นถึงข้างหนึ่งตัดฐานพระท่านพรัฒ น, นียะคุณพากาลระบุถึงไ ม, ม้ไม้นั้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าทราบว่าไม้ของหลูที่สมุนไว้เพื่อซ่อมไปพระนครซึ่งเขาเก็บไว้ใช้ในคราวมีอันตรายยมถวายแก่พระคุณเจ้าจริงหรือถ้านก็รับว่าจริงเนี่ยจริงอย่างนั้นขอถวายทุกทร พระเจ้ดินก็บอกว่าโยมปเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีกิจมากมีกรงนืยอะมากแม้ถวายวก็ ล, ลึกไม่ได้ขอพระคุณเจา้าผลเตือนให้โยมระลึกได้พรนธัญญาณก็เลยถวายพระพรว่าพ่องทรงระลึกได้ไหมครั้นโรงสเสด็จเถลิงถวันราชใหม่ๆได้ทรงเปลงพ่อวางาจเช่นนี้ว่าหญ้าไม้แลนะน้ำพระบิเจ้าถวายและแต่สมณะและภามาหลายขอสมณะและภา้าหลายโปรดใช้สอยเถิด นี่ไงพรองค์พระราทางแล้วตั้งแต่ของ้างใหม่ๆตอนนั้นเลยแหละนีะ่นะผู้ใจมุสาก็เลยบอกว่ารับเรื่องได้นะครับแล้วก็บอกว่าํานาจและพรามณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้มีความอาลมีความรังเกียจไถต่อสิขามีอยู่ความรังเกียจแม้ในะเหตุเล็กน้อยจะเกิดแก่อำนาจและพราหมเหล่านั้นคําที่โยนป่าหมายถึงการนำหญ้าไม้และน้ำของํานาจพรามเหล่านั้นแต่ว่าหนญะ้ า, าไม้และน้ํนน า, านั้น แ, าาแนนนนรงมีอยู่ในป่ามันมีคใครเขียน มันไม่ใช่ม้อย่างนี้นะพระคุณเจ้าย่อมสาคัญเพื่อจะนําไม้ที่เขาไม่ได้ให้ไปด้วยเลย่นั้นพระเจ้าแผ่นดินชื่นโยมจะพึงค่าจองจําอยู่ในละเทศซึ่งสงมณะหรือความอย่างไรได้นะครับถ้าเราทำไม่ได้ก็ถ้าไม่ทําอยู่แล้วมัพระสูนามาแล้วนะครับนี่มอนกลับไปเถิดพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ารอดตัวเพราะมุประชาเทศแล้วแต่อย่าได้ทําอย่างนี้อีกทีนี้ะชาจะก็เพ่งเแค่ดูเตรียมพุทธนานะครับ เรื่องก็เลยไปถึงจุดทั้งหลายทั้งหลายให้ทวยเทียนบูธนาแล้วก็กา่าิพระเจ้าทรงทราบรูดอง์ระชุมสงศ์ถามนะครับสงติเตี่ยประธานะาณแล้วก็พร่องตัดถามนะครับจะบัญญัติฆาบุรีขึ้นมานะกองก็ตัดถามนะครับเออคือสมัยนั้นมีมหาอำหมานนะผู้ภากษาเก่าอยู่คนหนึ่งเข้ามาบวชเป็นพระพิสูนนะครับนั่งอยู่ไม่ห่างึ้นพระพากยเจ้านะ พระองค์ก็เลตัดถามมิสุรุ่นั้นว่าดูก่อนมิสุพระเจ้าพิสารจอมเสนาบัตคตราชจับโจนได้แล้วปรหานชีวิตเสียบ้างจองจำไว้บ้างในประเทศเสียบ้างเพราะทรัพย์ประมาณเท่าไรน่นอมิสุก็กลาวทูลว่าพราะทรัพย์บาทหนึ่งเพราะของควรค่าบาทหนึ่งบ้างเกินบาทหนึ่งบ้างพระเจ้าค่าแท้จริงสมัยนั้นทรัพย์ห้ามาสมในค่งกุหราบชุนเป็นหนึ่งบาทเ น, นี่นะแล้วมิสุ ผูดพลาดฐานกาัใช่ครับองคก็เลยตัางเพียงเพี้ยงครับท่านที่บาสเนี่่านก็นถามว่าท่านี่นความจริงเนี่ยผู้ทีองก็ทรงรู้นะครับว่าพระเจ้ า, จาองค์ก่อนๆเนี่ยบรรดาป ร, ราชิพธ อ, อธินาทานเนี่ยด้วยซักข้ามมาจบครับไม่ยิ่งไม่หยอ่อนกว่านี้นะอง ก, ก็รู้นะครับแต่อง ก, ก็ตัดหางนเพื่อครับเพื่ อ, อนุเคราะห์นะครับเพื่ออนุเคราะห์แก่ที่สุดทั้งหลายนะครับ ถ้าพระองไม่ตัดหาเพื่อเทียบเทียงอย่างนี้นะและมันอย่าประราชิษนะครับเพราะว่าพําผ้ามาศนี้เลยเนี่ยก็จะมีคนมาตีเตียงพระองหน้าว่าโอ้ยชีวิตของผ้าเนี่ยสินสังวัตของผ้ามันมีค่ามากมายใช่ไหมพระองคมาเอาชีวิตของผ้านี่ยด้วยแค่บาทเดียวนะตีค่าทีวิตฟ้าแค่บาทเดียวนะครับอย่างนี้เน่ยให้ที่หน้าไปก็จะมาตีเตียนได้แต่เมื่อพรองเทียบเทียงกับทางโลกแล้วนะว่าแม้ทางโลกเนี่ย ก็มีการลงโทษกัรนักจองจำในประเทศประหารมากด้วยทรัพแม่บานเดียวนะครับอย่างงี้แล้วก็จะมีคนมาติดเตียงพงไม่ได้เขาบอกว่าถ้าอย่างงี้นะถ้าไม่เทียบเทียมกับเขาจะตีเตียงใช่ไหมครับและเขาก็จะไม่เชื่อนะไม่ความสำคัญหนักแน่นะะแล้วก็จะล่วงละเมิดได้แต่เมื่อเทียบเทียมนี้แล้วก็ใช้ความสำคัญแล้วก็จะปกปิด ก็ก็บัญญัติค้าคนนี้ขึ้นมาครับอย่างที่ว่าไปแล้วอะไรแต่ว่าถ้าบัญญัติตอนแรกนี่ไม่มีคำ ว, ว่าจาักบ้านก็มีจักรป่าก็มีอืมครับก็สมัยต่อมาแล้วก็มีเรื่องของพระเจ้าบุคีเกิดขึ้นพระเจ้าบุคีนะครชวนกันไปละชวนกันนั่งไปสู่ลานตากผ้าของช่างย้อมคนนี้เขาเขาย้อมผ้าแล้วเขาจะลานตากผ้านะแต่ลตานตากผ้าเอาเขานขั่็อยู่ในป่าเป็นลานกว้างนแะแล้วก็เอาย้อมผ้าเสร็จแล้ก็ไปตาก น, นะครับ คนนี้ก็แบกแอบลักขโมยมานะั่นแล้วก็นํามาสู่อารามแล้วแบ่งปันกันที่สู่อทั้งหลายพูดขึ้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านเป็นผู้มีบุญมากเพราะพราเแยผพวกท่านมากโอนมาได้ท่า น, นี้ยมากมายท่ามีบุญมากนเนี่ยได้ท่ามาเยอะเลยเขาบอกว่าท่านทั้งหลายบุหบุญของพวกผมจะมีแต่ไหนพวกผมไปสู่ลานตาของช่านยอ้อม และได้รักอของผ้าไปชั่ง ย, ย้อนมาเดี๋ยวนี้ต้องบอกความจริงไมยแล้วก็ เ, เลยบอกพระเจ้าเมื่อสิกขาบอกแล้วไม่ใช่หรือทําไมไปขโมยมาอีกล่ะนี่แกก็เลยอ้างเล่นว่านะครับเออนะรองทรงบัญญัติพ่อในเขตบ้านไม่ได้ทรงบัญญัติไปถึงป่าอังเลหลวงหมายเขาบอกไม่ใช่ภรพบัญญัตินั้นย่อมเป็ได้เหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่หรือก็เลยติดเตียนนะครับแล้วก็การที่พระพเจ้าทรงสร้า ง, างออะ น, นี้เป็นแล้ เพราะว่าไม่ใช่ต้นม่นแรกนะีปปะแล้วแครับเอาไปาันีลยครับใช่ค ร, รับทไมเนี่ยที่ว่าอ๋อชัปปคีมีหลัยให้พวกมีหัวหน้าอยู่หงคนแต่มนนนนนปปีน้องๆน้องๆปนพันเลยรวไม่ว่าฉัปปคีทั้งหมดเลยนะครับ<ว>นั่นะนะแตว่าีหัวหน้ายังอยู่หัวหน้าอยู่นะเยเอออนีงจน้องน เน่จะไปเจอข้างหน้เน่นี้สือามบนนะี้ที่จะพูดถึงประวัติเนก็จะเป็นกี่นะครับ อ, อันนี้นะครับแล้วพองก็ออนุบัญญตขึ้นมานะก็มีคาว่าจากบ้านก็ดิจากป่าก็ด้เพิ่มขึ้นมานะแล้วเปน็นนะุบัญญันี้ได้ไปนะครับกลับมากลางคาน่าสี่สิบหกเอาสี่สิบเก้า พึงสราบอาหารทบายในปราณที่ศิษยาภูที่สองต่อไปเนี่ยท่านะจติบาลเขามาจากบากนตัวดีจากป่าตัวดีนั่นพิมาตรงนี้ก่อนประเภทแห่งที่อยู่มีกระถ่องหลังเดียวเป็นต้นนะครับจะมีรั้วก็ตามไม่มีรั้วก็ตามมีคนอยู่ก็ตามไม่มีคนอยู่ก็ตามที่สุดแม้เพียงกุญเญที่จอดไว้เกินสี่เดือนพึงทราบว่านั่นแหละชื่อว่าบ้าน ายความว่าพามาวาอรัญญาวานี้สถานที่นอกจากบ้านและอุปจาระบ้านบริเวณบ้านชื่อว่าฝ่านครับไอ้บ้านที่นี่หมายถึงหมู่บ้านนะนะครับบ้านที่นี่หมายถึงหมู่บ้านไม่ใชื่อบ้านแต่ละนลังเลยถ้าไอ้บ้านแต่ละหลังถ้าจะใช้สมมุนิว่าเรือนะครับได้เห็นว่าเรือนนะอันนี้เข้าใจกันไหมครับทีนี้บ้านหมู่บ้านเอาแค่ไหนถึงหมู่บ้านมีบ้านหลังเดียวนะครับ มีบ้านหลังเดียวสองหลังสามหลังว่าเป็นร้อยก็่า้วแต่นะนั่นก็ชื่อหมู่บ้านเหมือนกันจะมีรู้ว่าร้อมไม่ร้อมแล้วแต่นะครับมีคนอยู่ก็มีคนอยู่นะแม้ขนาดว่าหมู่ปืนนะครับที่ก็จอดไม่เกินสี่เดือนแล้วอย่างนี้เนะี้ยก็ชื่อว่าบ้านะ น, นเหมือนกันํานานเกียวไปค้าขายเนี้ยนะดูนี่ไปเจอหน้าขนติดขนอยู่นะครับอันจะจอดเข้าไปขพังอยู่นะบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งครับสามเดือนนะ แต่หมู่นี้จอดไปแั้วสามเดือนยังไไปนะครับสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ไปนะอยู่เกินสี่เดือนนะครับหมู่เกวียนนั้นต้งถึงความน่าเป็นบ้านไปนะครับทีนี้ื่อนก็จะอธิบายถึงบ้านนี้หนึ่งนะครับอธิการนั้นอธิบายว่าหมู่บ้านนะครับที่มีบ้านอยู่หลังเดียวเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆยังไม่มีมนุษย์เข้าไปอาศัยอยู่นะครับและมีมนุษย์เข้าไปสําเร็จอาศัยอยู่ ต่าใดนะครับตามนั้นก็ยังไม่นับว่าบ้านนะครับเพราะมู้สร้างใหม่ยีงเข้าไปอยู่เลยก็ยังไม่เรียกหมู่บ้านหนระอก น, นี่นะี่นไอ้ที่บอว่าล้อมกรณีไม่ล้อมกรณีเนะี่ยก็ล้อมด้วยอิฐ ก, กาแพงอะไรแล้วเป็นต้นหรือว่าล้อมด้วยรวดหนากากินไม้อะไรก็แล้วแต่นะ่นชื่อว่าล้อมทั้งหมดครับอ่าและถ้าก็ยังพูดต่ออีกว่า น, นะครับหมู่บ้านใดนะที่พวกพวกยักษ์นะครับเข้าไปครอบหอบ พวกยักเข้าไปครอบครองนะถือเอาพราไม่มีมนุษย์อยู่อานจะเป็นบ้านร้างแล้วนะครับไม่มีใคร อ, อยู่คนถอยออกไปหมดเลยนะไม่รู้พราเห็นอะไรนะครับแล้วทีนี้ยักออามาครอบครองที่นั้ น, นครับเนี่ยนั้นมนุษย์ทั้งหลายนะครับแม้ต้องการจะกลับไปที่หน้าดินด้วยพรังินทรบางอย่างแต่ก็ไม่กลับไปอาจจะกลัวยั่งยงไงก็แล้วแต่นะอาจจะกลับไปของั็แต่ว่าไม่ไม่กลับกันแล้วนะครับอย่างเนี้ยนะก็ไม่กลับไปอีก ครับเป็นคู่ไม่ไม่มุ่งที่อยากแม่จะกลับไปอีกนะแม่หมู่บ้านนั้นก็ไม่นํามาหมู่บ้านคเลยนะนะครับพ่อร้างเป็นคนไม่กล้าไปไม่อยู่แล้วนะทิ้งหมดแล้วนะครับไม่อยากกลับไปก็ไม่ไม่ไปแล้วอีกเนี่ยสองที่นั้นที่ไม่เชื่อหมู่บ้า น, นครับเ<อ>มื่งร้าแบบคนทิ้งอยู่หมดแล้วนะจ๊ะรกรณีนี้นะครับที่เหลือก็เป็นบ้านเขาที่บ้านอะไรทีนี้บอกว่า เดี๋ยวท่านจา่าพิบายนะครับท่านนอกจากบ้านและอุปจาระบ้านนะที่เหลือก็ชื่อว่าป่าเดี๋ยวท่านจา่าพิบายนะตรงไหนเป็นบ้านนะความต่างกันแห่งเรือนอุปจาระเรือนบ้านอระจาระบ้านนี่นะใส้ใจดีเรื่องอาานะเองงกีเกนเนนน่ับเรื อ, าาน เ, นนะอเรื่องบ้านเนี่ยก็ไปใช้หลายขีขาบที่ก่อนจะมีความพิบายนกครับนี่ยนะท่านก็จะบอกว่าบ้านเรื่องบ้านเนี่ย ให้กลับไปดูในประลาสคาวิที่สองแะนะครับเพราะเราต้องพ่อจัดมนได้ให้ดีถ้าเราพ่อจัดตรง น, นี้แล้วนะต่อไปขําข้างหน้านะครับท่านบอกว่าเหมือนอย่างนั้นแหละเราก็ยังไม่รูบ้บอกว่าเหมือนกับที่น้ำต า, าสิข า, นะอ า, าอบออย่างนัเราก็รู้ได้รู้เลว่าอ๋อมาดเป็นยังไเรือนเพื่อความไม่สับสนในเรื่องของมากเป็นต้นนั้นเึงสร้างการจําแนกอย่างนี้ว่าเรือนอุปจาระเรือน บ้านปรชาชลาบ้านจึงอยู่ข้างในเขตจากที่น้ําตกจากชายคาชื่อว่าเรือเ น, น, นี่ยเรือตั้งแต่น้ําตกชายคานะน้ําตกมาเข้ามานะครับอันนี้ชื่อว่าเรือ น, น, น, นั่นนะครับเอส่วนสถานที่ตกไปถึงแห่งน้ําล้างผักนะที่แม่บ้านยืนอยู่ที่ประตูสาออกไปครับแม่บ้านยืนที่ส่วประตูนั้น สารน้าล้างภาชนาไปนะครับตกถึงไหนที่นั่นแหละดีนะท่านจะบอกหรือว่าทํานะรับสถานที่ตงไปแห่งกระโดมหรือไม่กว่าอาจจะไล่โน่งไล่กานะ <c oughs> ที่แม่บ้านนั่นแหละอยู่ในบ้านนะครับโยน อ, นออกมาข้างนอกอย่างปกตินะโยนกระโดกหรือไม่กวาดมาเลนะครับไล่โน่งไล่กายานี่นะเนี่ยตกไปถึงที่ใดนะครับที่นั้นจะเรียกอุปจาระเรือน และรู้วรเราที่เขาทําไว้เพื่อกำจัการไม่ให้วัวเข้าไปติดประตูมีเลื่นไม้สอดการเชื่อมเข้าไปที่มุมรั้วทั้งสองข้างหน้าบ้านคดีทั้งหมดนี้ชืุ่บประจารเรือนนี่ตนะอนแรกถ้าพูดถึงเรือที่ไม่มีรั้วล้อมก่อนเรือที่ไม่มีรั้วล้อมก็อเอาตรงทีนะ่แม่บ้านอยู่ที่บ้านสาดนะ้ำล้างปะเจนตบไปเนะถึงไหนในการตรงนั้นแนหะมีประจารเรือน หรือว่าเพียงกระด้งไม้กวาดตกไปนะถึงไหนั่นแหล ะ, ะละเรื่องประจารเรือนแต่ถ้าบ้ามีรั้วอยู่แล้วนะครับเรือนั้นมีรั้วอยู่แล้วน ะ, ะนะก็ตั้งแต่รั้วเรือมาเข้ามานะคะรับเรื่องปรนะจารเรือนต่อไปนะครับภายในที่ตกไปแห่งก้อนดินซึ่งบุตรมีกมุหลางกลางยืนอยู่ที่ประจาระเรือของเรือทั้งหมดที่กล่าวมานี้ กว้างไปนะครับเหมือนกับพวกเม็ดหนุ่มเพื่อจะทดลองกําลังของตนก็นเหยียดแขนนะกว้างก้อนดินไปฉะนั้นชื่อว่าบ้านนะครับอันนี้จนะพูดถึงหมู่บ้านนะชื่อว่าหมู่บ้านหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วล้อมนะครับเอายังไงถ้าหมู่บ้านที่ไม่มีรันะ้วล้อมเนี่ยจะเาเขตตั้งแต่ไหนไม่ว่าหมู่บ้านถ้าบอกว่าให้อยู่ตรงที่บ้านเราจุดท้าย น, นะครับไอนนของผู้มงมุมหมู่บ้านแล้วแต่นะครับ ที่เวลาสุดท้ายหนงมุมเลยแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละนะเฟีอย่างอะไรไปเนี่ยต้อนดินนะเฟีอยงมีอย่างเต็มแรงเลยนะครับพวกพวกเด็กๆเนี่ยประลองกําลังหรือว่ากําลังใครจะดีนะเฟี้ยอย่างไปเต็มเต็มเลยนะครับตกไปถึงไหนนะครับนั่นแหละเรียกว่าเข็นบ้านเข็นบ้านมาจากครับนี่เฟี้ยจากอุปจาราเมืองนะครับเมื่อกี้นะครับตรงที่กระด่องอะไรตกเมื่อกี้นะ หรือว่าตรงที่รั้วเรือนนะครับยิงตรงนั้นแล้วก็เพีย้ยนตกที่ไหนที่นั่นแหละนะครับเป็นหมู่บ้านแต่ถ้าหมู่บ้านนะั้นอ่ะมีรั้วล้อมอยู่แล้วนะั่นมีกำแพงเนะี่ยเป็นเงเช่นพวกหมู่บ้านตัดสันนะครับก็ตั้งแต่กำแพงแหลรเข้ามานะครับชื่อว่าหมู่บ้านไม่ต้องเป็นเที้ยงอยีกแล้วนะะถ้ามีรั้วอยู่แนะครับไ <c oughs> อรั้วเป็นตัวเขตนะครับเป็นตัวเขตบอกว่านเนี่ยถ้าแต่รั้วเข้ามาเข็มหมบ้านนะครับอ <c oughs> อ, อ๋อบางที่ใช อ, อยู่บ้านส้ายอย่าให้ไปโนใครก็แล้วกันพี่อยในป่าอะไรก็ได้แต่ผมไหนก็นนถือั่นแหละโอ้แกการอยู่บริวารทุกคออได้ไหครับคืออยู่บริวานในหบ้านอะไรก็ได้ไม่เล่นผิดหรอกนะครับออกไปจากว่ า, วานีา่แหละมันจะไป อ๋อต้องหมู่บ้านนะได้ต้องหมู่บ้านที่อยู่ปริว่าน่ะเขาให้ให้ออกไปไกลเขตนั่งเฉยๆนะครับหางจากเขตนั่นไปสองเรียบาทนะครับถามว่าทําไมต้องไปประพฤต ป, ปริว่า น, นอกว่านเนี่ยห่างจากจเขตนั่งไปสองเรียบาทก็เพราะว่าเพื่อมันเห็นมันให้ได้ยินเสียงพระที่อยู่ในวัดนะครับจะได้านไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงพระที่อยู่ในวัดนนะครับพอถ้าเห็นหรือว่าได้ยินเสียงเนี่ย ตอนบอกวันทำไมแต่เราออกไปไกลขนาดนั้นเราแล้วก็ไปอยู่ในผู้มาในอะไรเนี่ยนะจะได้ไม่เห็นครับแล้วถ้าเราถ้าเราออกไปนะมันไม่ใช่ป่ามันไปกินเข็มบ้ามันก็มีปัญหาครับสารพฤติวินากรที่คิดครับอย่าให้ใกล้มากกันล้วกันครับขาได้ขาวได้ครับนั่นรม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับยิงขึ่ประจานเรือลำว่ามันเป็นกลย ก้อนดินข่าดครับเต็มแรงเลยนะครับใช่ครับตรงตรงนั้นเรียกว่าเรียกว่าหมู่บ้านครับเข็มหมู่บ้านนะตรงนเข็มหมู่บ้านทีนี้เพราะฉะนั้นนะไอเรือก็ดีอุปจ้าเรือก็ดีน่ะมันก็อยู่ในเขตมบ้านใช่ครับเพราะอยู่ข้างหนนะทีนี้นะครับภายในเขตก้อนดินตกจากบ้านนั้นนะ กว้างออกไปจากเขตบ้านชื่อว่าอุปจาระบ้านนะครับือจากก้อนดินตกมาในเกียร์ที่เป็นเขตบ้านนะครับอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเปลี่ยงไปเต็มแรงนะอีกหนึ่งตุ๊บนะครับตกตึงไหนนะเปลี่ยงไปข้างนอแนมันจะเพียงกลับเข้ามาไม่ไดานครับเปลี่ยงไปตกถึงไหนนะครับที่นั่นแหละเรียกว่าอุปจาระบ้านนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงอันนี้หมายถึง ที่ไม่มีรั้วล้อมนะไม่มีรั้วล้อมนะครับมหมู่บ้านแหงนี้แต่ไม่ควรถึงเอาสถานที่ก้อนดินตกแล้วกลิ้งไปถึงนะครับไ อ, อ้ทีต่ตกตอนตอนแรกนะตอนไหนคือตรงนั้นนะครับไอ้ที่จริ้งไปไม่เอาถือเอาเขตที่ดินตกลงไปเท่านั้นนะครับแรกสําหรับหมู่บ้านที่มีรั้วรล้วนั่นแหละเป็นที่กําหนดเขตหมูบ้านถ้าหมู่บ้านนั้นมีธรณีประตูอยู่สองชั้นนะครับ อันนี้นะมีทอนินประตูอยู่สองชั้นนะครับภายในเขตที่ก้อนดินตกของบุรุษผู้ยืนที่ธรณีขั้นในโยนออกไปชูประจาระบ้างนะครับพอ น, นี้ประตูนี่รู้ทช่ไหมครับก็คือในโบสถเห็นไหมในโบสถมันจะมีประตูโบสถและข้างล่างประตูนะครับเคยทอนอินประตูแต่อนี้หมู่บ้านนะประตูหมู่บ้านเขายังทำทอนอินประตูนะครับแต่บางที่นะถ้าบอกว่า เขาทำทอนเนี่ยปดูถึงสองชั้นนะนะครับให้อยู่อ่ข้างในนะทอนเ่ประตูชั้นไหนนะครับแล้วก็เฟียงกอนเนือไปเ็นไรครับที่บอกว่าเี้ยงไปเอาเฉที่ไม่น้ที่ที่เปไ็นไปเลไน้ถ้าเกิดว่ามันเป็ดันกิเนี่ยไม่น้ำกินเอาเพอยบนตัวนั่นครับอย่างนี้นะครับนี่บอกว่าเป็นหมู่หมู่บ้านที่มีลวาล้อมนะ มีกําแพงแล้อมถ้ามีทรหนประตูอยู่ก็อยู่ตรงทอหน่ประตูนั้นถ้าทอหนประตูมีสองชั้นเราอยู่ชั้นไหนนะครับ ท, ที่นั่นแหละแล้วก็ฟี่ออกไปตกตรงไหนนะครับที่นั่นแหละชื่อว่าอุ ป, ปจาระบ้านสมัยนีน้ไมนะ่มีนะหมู่บ้านถึงแม้มีประตูเข้านะ่ะเขาไม่ทำอา่าทอหนึ่ประตูหรอกใช่ไหมครับหมู่บ้านเ้าไม่ทำหรอกเพราะว่าเราต้องผ่านเข้าไปมันก็เป็นถนนเข้าไปเลยใช่ไหมแล้วก็อยู่ตรงเนี่ยทางเข้าแหล นะสงเข้าหาประตูนั้นนะครับเพียงออกไปครับทนี้จะมีแต่ป้ายอยู่บ้างนี่จะป้ายไหมอืไม่ใช่ครับกาแพงก็ไม่มีใช่ไหมครับแต่<ม>หนูบ้านจัดสรางอะไรนะเป็นดีหน่ยี่จะมีครับรัว้วล้อมหมูบ่บ้านก็มีนะ้บอกกาแพงก็ได้รั้วก็ได้นะครับเป็นไม้ไม้ไผเ่เป็นลวดหนามอะไรต่างๆช่วยรู้ท o กอย่างแต่สมัยนี้ไม่มีนะ อย่างนี้เลครับได้แล้วถ้าบอกว่าแม่อุปจาระบ้านอย่างนี้นะก็ส่งข้องเข้าในหมู่บ้านครับะคือในคำว่าสาม บ, บ้านก็มีสามป่าก็มีนะครับจะได้คุมหมดเลยเนี่ยบางคนจะมีอ้างเล่ น, นะค้าบผมไม่ได้ขโมยที่บ้านไม่ได้ขโมยในป่าแต่ผมไปขโมยที่อุปจาระหมู่บ้านในที่นี้อย่งนไม่ใช่อ้างเล่ไม่ได้แล้วแม่อุปจาระหมู่บ้านนี้ก็จะส่งข้องเข้าในหมู่บ้านนะครับในาตรงนี้ แรกในบทภาชีพึงทราบตามในนี้เหมือนกันในอุปจาระทั้งสองนั้นขปเจ้าได้สแสดงอุปจาระหมู่บ้านที่ไม่มีรูาใดไว้แล้วพึงกําหนดการต้องอาบัติเพราะการเข้าบ้านในยามวิกาเป็นต้นนะครัลาศึกษานนัในเพราะการเข้าเขีประจาระบ้านนั้นด้วยนะครอย่างนี้นะก็คือจะมีอาบไปตีข้อหนึ่งใช่ไหม ที่ว่าพิสูจนจะเข้าไปนหนึ่งบ้านในเวลาวิงงกาเน<ม>่ะไม่บอกราพิสูจน์ที่มีอยู่นะครับต้องมาไปตีคําว่าหมู่บ้านทนี่เอาแค่ไหนนะครับถ้าหมู่บ้านที่มีเขตมีรว่าว้อมนะก็เอาเขตหมู่บ้านนั้นเข้าไปเลยนะครับป่าอาบันนะต้องในเขตหมู่บ้านนั้นเข้าไปะครับถ้าหมู่บ้านนั้นไม่มีอป่าไม่มีรว่าว้อมก็ป่าอาบันกันตั้งแต่ป่าจาระบ้าน ค, คารับค่อยไปถือป่าจาระบ้านนะก็ป่าอาบันได้นะครับ เพราะว่าไม่ได้บอกลาพิสุทที่มีอยู่ในวันนะเข้ากันบ้านขยันกันนครับเขะที่ยูหน้าวัดคระไปหน้าวัดต่อไปค่ะเลยเลยต้องไปค่ะไปขาเข้าคความจริงใหมู่บ้านใกล้กว่านั้นนะไอตัวนี้เขวันจริงเราตรงถนนนะไอตัวนี้ทิ้งขยันไม่ใช่เขวันนะครับถนนของเทศบาลนะครับ เก็จะของวันนะเขตวันกินไปถึงจิตเป็นสำนักก็ยังอยู่ในเขตบ้านนะครับฝั่งนัสำนักตั้งแต่ถนนไม่ใช่ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่นะครับสำนักเข้ามานั่งก็มาถึงไอต้ตรงใกล้ใกลุฏิเจ้า ว, ว่าแหละมันจะมีเ้าจะทำรั้วไอปว้ประตูไว้ใช่ไหยครับประตูแหลกแค่ตรงนั้นนะครับแล้วมันก็จะมีหลักหลักอันหนึ่ง น, นะตั้งแต่หลังเข้ามานะครับเป็นเขตวันนะครับ ต, ตั้งแต่หลังออกไปเนยะเป็นเขตหมู่บ้านนะครับ ติดกันครับติดกันอ๋อแต่แต่ทีนี้หมู่บ้านนะเขาหมู่บ้านม า, มาไม่ถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าหมู่บ้านมันจะมีตรงหน้าบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมมีบ้านหลังหนึ่งนะไอตรงหน้าวัางนะ่ะที่เขาเนืพอชําอะไรเขาจะไม่ชอบตรงนั้นเขาเปี้ยงมานะเปรี้ยงมาแล้วนะครับแล้วจุดเปรี้ยงมาถึงถังขยะอะไรนะเปรี้ยงถึงถังขยะอะไรนะครับตรงนั้นก็ถ้ามีช่างก่อสร้างอยู่ใกล้กว่าใช่ไหม ก็นำ แ, แต่ข้างก่อสร้างเพี่หมาอุ้ยผ <c> ม <oughs> มันกินเกือบนะครับนนติว่าอะไรนะข้าต้องผมข้าวไม่ได้เไม่ได้เลยครับข า, าใช่กช่ใช่ครับเนี่ยขาไอ้าานั่งยิงเป็นเข็มวัด เขียนว่าไรนะแต่ว่าถือว่าเป็นลำไสบ้านไม่ถือว่าเป็นหมู่บ้านถือว่าเป็นลำไส้บ้นในเสกีย์บ้านนะที่บอกหนึ่งเป็นบ้านก็จริงเป็นมิโยมเข้ามาอาศัยจกินถึงต้มอะไรในประจําอย่างนี้เครับชื่อเป็นลำไบ้านแต่เห็นแต่ว่าเขียนว่าครัะเขียนว่าอยู่แต่ว่าอเรียกรำแวงบ้านก็ต้องแบบพูดเสกีย์บ้านเป็นลวไส้บ้านอนกันครับต่อไปเว้นบ้านเรื่องประจาระบ้าน ที่ว่ามานี้แล้วสถานที่นอกจากนี้จัดว่าเป็นป่าสิขาบทนี้นอกจากบ้างนประจักระมากที่ว่านั้นนะครับที่เหลือก็ชื่อว่าป่าทั้งหมดเลยนะสีถ้าเราไปเจอในเรื่องป่าของการขีุ่โดงนะเอาขนาดไหนที่เรียกว่าป่าามาจากหมู่บ้านออกไปกี่กี่กิโลกี่ช่วคันธนูครับนี่ว่าป่าห้าร้อยคันธนูครับ ห้าร้อยชั่วคันธนูครับนอกวัดจหมูกบ้านไป น, นักห้าร้อยชัวคันธนูธนูที่กองแล้วนะครับไปถึงที่ไหนนะตรงนั้นนะครับตั้งแต่นั่นไปนะจะชื่อว่าป่าครับสามารถขือทุ่โดกันอยู่ป่าเป็นวัดได้นะถ้าเป็นวัดป่าและก็อยู่ไกลจหมููบ้านนะครับประมาณห้าร้ชั่วคันธนูก็คือประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับนีน่เพราะฉะนั้นหนึ่งคันธนูจะเข้ากับสองเมตรใช่ไหมหนึ่งคันธนูเข้ากับสองเมตรนะครับ 500ชันธูว่าเท่ากับพันเมใช่ไหมพันเมฆก็คือเป็นหนึ่งกิโลพอดีใช่ไหมครับในนี้นะนะชันธูปสมัก่อนของอาจารย์ที่โกงนะสองหมสูงกว่าแต่ความจริงของโค้ดที่แบบขยิมธูปนะข้อแรกนีเนี่ยนั่นก็ใหญ่เหมือนกันนะรู้สึกยาวแล้วก็ใหญ่มากนี่คือสมัยก่อนต้องใหญ่กว่าครับสองเมตร ครับแต่ที่นี้ก็เอานอกจากบ้านปาระจาหรือบ้านเรือนป่านะครับเนื่องจากคาว่าจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดีนี้เป็นเพียงเทศนาเท่านั้นพิสูจเมื่อละเอาวัตถุได้ราคาห้ามาศจากเรือนอุปจาระเรือนบ้านหรืออุปจาระบ้านตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของการกาหนดเขตเรือนเป็นต้นนี้ ป, ป้าบรป่าเช่นทช่นนั้นของเรา ไม่พ้นหรอกเพราะอ้างเหตุกเลยไม่ได้นะโดยเท่านั้นแหละรักหน่อยครับ นํามาหมูบ้านครับแต่นั้นไม่มีอนุญที่พร้อมแต่คนก็เทงไปเลยใช่ไหมไม่เอาแล้วนะครับนี่อจะส่ข้อหน้านะนะครับแล้วก็ไปแล้วันไปถึง500รชวโมนูพอดีใช่ไครับไปเจอหมู่บ้านนะอานั้นอาจจะได้ั้าตาเนี่ยนะตามนี้ก็มีใครเข้าทีหมดวนะครับก็นรื่องปากนะทุกครัว่าใจนะทุกครั้ใจ นี่ไฟถ้เถืออยู่ป่านะถ้าไปอยู่วัดที่ไกลาจากหมู่บ้านขนาดนั้นนะครับก็ถือทุกดวงข้ออยู่ป่านัด้นล้วนะสบายนะครับก็ อ, อยู่ป่าในวัดนั่นแหละนะเพราะว่ามันอยู่ไกลหมู่บ้านนะครับไป<หม> ไ, ไมจ้าหือเปลต่อไป อันนี้เนี่ยอีกอีกสามเหมกันจิตคิดจะละนะครับถอยย่อจิตทำไมน่น่าจิเจอสับแสงนะครับถอยย่อจิตอีกคิดจะละคําว่าอทินันตกสะหาดนะครับอัคคีนันได้แก่สิ่งของของผู้อื่นที่เกิดเป็นมนุษย์นี่ที่บอกมาแล้วนะครับที่เกิดมนุษย์นีะของคนอื่นไม่เอาขอ ง, ดด ง, ของเดรัจฉานของเปรของเทวดานะครับแม้แต่ขโมยของเทวดานก็ไม่ต้องปราทิกนะท่านยก ไม่ฝังเลยเฉนะครับว่าแม้ถ้าว่าเท้าสกัดจะมาออกร้านตลาดขายผ้านะและี่สูงมีฤทิ์อะไรนะครับไปขโมยผ้าของเท้าสกัดนีนะก็ไม่ต้องปลาเช็คเขาเขาไม่เอาเอาเฉพาะของมรุนเท่านั้นนะฮครับอ่าไม่ตลาดเช็คครับทารองผนับ แต่ในดีกาท่านจะพูดถึงคำว่าไม่ควรทํามทีพูดแล้วว่าอธิบายเหตุผลว่าทำไมไม่ควรทำถ้าเป็นโยขโมยปลาแล้วโอถ้ถ้าข้าขโมยเน่มันก็ไม่ไมดีทั้งนั้นนะนะครับเป็นทุศนใช่ไหมเห็นว่าจะเติมปลาที่มีฝาดเยอะหรือเปล่าแต่ว่าเติมทนไปในบทนี้ว่าเถอยญสังหาตังที่แปลว่าด้วยส่วนความเป็นขโมยนะครับเถื่ยาขโมยนะสนะัตามด้ดส่วน ด้วยส่วนความเป็นขโมยนะครับมีการวิเคราะห์ดังนี้จรท่านเรียกว่าขโมยอันนี้เป็นท่าที่มาเขียนสอบแสงภาษาบาลีนะครับแล้วก็ฟังๆมันก็แล้วกันจนท่าเรียกว่าขโมยภาษาหรือคือเถนะานี้ว่าเถนะภ่าว่าของขโมยนั้นชื่อว่าเถยยะบาลีเป็นเถยยะนะครับเถยยะคือความเป็นขโมยนั่นคำนั้นนะครับเป็นชื่อของจิตกิจละ คำว่าเถอยาย่างนั่นนะเจงความกือเป็นชื่อของจิกิจลักษณ์นะครับคำว่าสังขาก็ดีนะสังขารตังก็ดีนะโดยใจความเป็นอันเดียวกันนะครับคําว่าสังขารตังนั่นเป็นชื่อของส่วนเป็นของส่วนนะเหมือนในประโยคเป็นต้นว่าก็ทำทั้งหลายคือตังหามนติทิศซึ่งเป็นส่วนแห่งความเรื่อนช้ามีสัญญาณเป็นต้นเหตุเนี่ยที่มาสับแสงเฉยนะ เราไม่เห็นหรอกว่าคําว่าสังขาตังอยูตรงไหนมีนื้อสัมบารีผมไม่ได้จดมาไม่ได้จดมาครับเจอมัว่าสังขาตังน่ะแปลว่าส่วนเห็นที่ในประโยคนี้นะครับในภาษาบาลีก็คือจะเป็นคําว่าสังขาตังแปลว่าส่วนอะไรนะครับก็ส่วนคือความเป็นขโมยชื่อว่าเธอญาติสัง่ารไปนะขยายความว่าสภาพอย่างหนึ่งของจิต คือความคิดจะขโมยจะฟังง่ายคืออย่างนี้ครับเถียญสังขารคือความคิดจะขโมยนะก็คําว่าเถียญสังขารนั้นเป็นปฐ ม, า, มรร า, ป า, าริพันธ์เนี่ยตอนแรกมีบาลีนะเราในอา่านแห่งตติยานิพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเพิ่งทรางความหมายของบท น, นั้นว่าเถียญสังขารเตรนะแปลว่าโดยส่วนแห่งจิตคิดขโมยนะอยู่บางที่เขาแปลว่าโดยส่วนแห่งความเป็นขโมย ก็คือจิตคิดขโมยนะครับถือเอาด้ใจอย่างนี้นะบุคคลใดถือเอาสิ่งของด้วยส่วนแห่งจิตคิจะรักบุคคลนั้นเพราะเป็นผู้มีจิตคิดจะรักะฉะนั้นพึงทราบว่าขุนพ่อภาคเจ้าไม่ได้ทรงมุ่งถึงพยัญชนะจะทรงแสดงเฉพาะใจความเท่านั้นจึงได้ตัดบทภาชนะก็คือบทจำแนงการจำแนกบท แห่งบทว่าเธอยาสังขารตังนี้ว่ามีจิตคิดจรักคือมีจิตคิดจะขโมยดังนี้นะครับผมก็อธิบายใจความงบนนี้เลยว่าเนี่ยนะก็คือมีจิตคิดจะขโมยดังนี้ครับอันนี้ธิบายสั้นๆใช่ไครับหลายอย่างต่อไปอาการขโมยนี่เลยแล้วนะหัว่าอาการขโมยต้องยี่สิบห้าอย่างครับตอธิบายหลายอย่างเลยนะคําว่าอาร์ที่ระยะนะครับแปลว่าพึงถือเอา ความว่าพึงนําไปด้วยอาการขโมยอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอาการขโมยยี่สิบห้าอย่างก็อาการขโมยเหล่านั้นบัณฑิตควรรวบรวมเป็นห้าหมวดหมวดละห้าแลหมดไว้ให้ดีห้าห้าก็ไ ด, ด้ยี่สิบห้าคนดีใช่ไหมครับชื่อว่าห้าหมวดหมวดละห้าคือมันจะมีห้าหมวดนะ แต่ละหมวดมก็จะมีห้าข้อเป็นข้อย่อยห้าข้อนะครับห้าห้าเ็ได้ี่สิบห้าหนึ่งนะครับหมวดห้าแห่งสิ่งของต่างกันเรียกว่านาน า, นาพันดะปัญจการปัญจา ก, การว่าหมวดห้าพันดะก็สิ่งของนาน า, นานาก็ต่างกันครับเนี่ยบาลีไปภาษาไทยไปอย่างข้างหลังมาข้างหน้านะเแล้วว่าหมวดห้าแห่งสิ่งของต่างกัน <c oughs> นะครับแนจใจพี่บาต่างกันอย่าง เกิดกับว่าเอาทั้งทรัพย์ที่มีมียางคลองแล้มันมียางคลองนะที่ต่างกันครสองหมวดห้าแห่งสิ่งของอย่างเดียวหรอกเอากับพันดักปัญจากาอันนี้อาจะเพาะทรัพย์ที่มีมียางเท่านั้นสามหมวดห้าแห่งอาการมีการขโมยด้วยตนเองเป็นต้นสามถันทิ่กับปัญจาการตามคำนี้นะสามที่กก็คือขโมยด้วยตนเองนะด้วยมือของตนเองนะ เป็นต้นนะครับ <c oughs> ข้อหมวดห้าข้อนะแต่มีข้อนี้เป็นเป็นต้นนะ้็เลยตั้งชื่ออย่างนี้สี่หมวดห้าแหงความพยายามเบื้องต้นเป็นต้นเรียกว่าปุกพระประโยคะปัญจากานะครับหมวดห้าที่มีข้อนี้นะเป็นข้ต้นห้าหมวดห้าแห่งอาการที่ขโมยเป็นต้นชื่อว่าเถียรยาวหารปัญจากานะครับหมดห้าอาการที่ขโมยมันจะมีขโมยแล้วก็อะไรขมคู่ว่ามีนะ อนะผมขู่แล้วก็อะไรเนะี่ยกองสลานะครับปริกร า, าอย่างอยู่ในหมวดห้ <c oughs> ทาท่านก็จะอธิบายไล่ในทีละหมวดบรราปารรจกคือหมวดห้าเหล่านั้นสองบรรกแรกนะครับที่นาแนา น, านกัเอคารเนยสองบรรากาศแรกได้อาถานี่มีเอาานี่มีอาติดทิ้เลยสองบรรกศแรกได้ด้วยอานาจแห่งบทเหล่านี้คืออาที่เย็่ะ คือเอาหาระยะนำไปเอาว่าหาระยะรักเอาอิริยาปบถางิโกะระยะเปลี่ยนอิริยาบถฐานาจาวระยะทำไม่ขึ้นจากฐานนะครับคือสองหวัวแรกนะหมวดนานาผลักปัจจการและเอกาผลักปัจจการนะแต่ได้เป็นห้าข้อนะครับสองหมวดแต่ได้เป็นห้าข้อห้าข้ออย่างที่ว่านะครับท่านเจตที่บาเอาแล้มันเป็นยังไง นานาก็ได้ห้าข้ อ, อนี้ครับเอากาพันละ ก, ก็ได้ห้าข้ อ, อนี้เหมือนกันที่ท่านกล่าวไว้แล้วในบทภาชนีของบทหลาบอันบทนั้นนั่นแหละรรประดานปัจจการสองอย่างเหล่านั้นนานาผดับปัจจการเพิ่งทราบว่าเกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่มีวิญญาและไม่มีวิญญาก็าคือทั้งความที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตนะครับันั่นก็จะอธิบายถึงทรัพย์นล้นะ ถ้ามีชีวิตไม่มีชีวิตนะครับเป็นสร้างสมบัติเข้าของนะไร่นาสู่วะนะครับจนกรทั่งถึงสัตว์นะสัต์เนี้ยงนะครับพวกไก่อะไรเนี่ยนกยูอะไรหลายอย่างจนถึงข่านะครับข่าอ่ะเราที่มาอยู่ในหมวดนี้นะครับเอกาศพนักปัญกาคุณทราบว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีวิญญาณอันนี้จะพูดสัตว์ที่มีวิญอย่างเี้เพราะมันจะมีลักษณะนะ ไอที่ไปรักทราบเครับรักทั้งคนทั้งของเลยนะ <c oughs> นคนเป็นทั้คนทั้งของนะครับคนเป็นท่าใช่ไหมถ้าทางคนของอยู่นะครับขโมยทัคนทั้งของเลยอุม้มตัวเพืนออะไรครับพุ่มตัวไปเลยนะหรือว่าบางครั้ค่าเดินไปนะครับอันนี้ก็มีนะอะไรแตกหน้หนาเป็นสองมีอคืออย่างไรอย่างนี้คือคําว่าเอาที่เยอะแยะถือเอาหรือว่านําไป เราถือเอาแน่านะถือเอา <c oughs> มีความว่าที่สู่ตูเอาสวนต้าบรรทุ ก, กอกเมื่อเจ้าของเกิดความสงสัยต้องระบุกสมใจเมื่อเจ้าของหมดหวังว่าสวนนี้ไม่ใช่ของเราต้องรรบุกพาล่าชิดนะครับถ้าอยากดูคำํำธิบารในพิสดารนู่นเปิดดูนะอันนี้เปนข้ิาษฐานเอกสารชิ้นใหม่เขียนไว้ให้ชัดเจนนวินัยปีดกเล่มสองอยู่หน้าหนึ่งร้อยหกสิบสองไปดูะครับ หน้าหนึ่งร้หสิบสองคำอธิบายด้วยเบบนี้ครัก็อธิบาย ส, สุดให้นะตรงนี้ข้ออธิบายเกี่ยวกับการตูเอาสวนเนี่ยหนึ่งร้อหกสิบสองมาดูนะมีอย่างตงูวเอาสวนเขานะคะุยสวนคนอื่นดีๆก็ไปตู่นะว่ายโยงสวนนี่ขอเอามาเนี่ย น, นะครับก็ไปโกหกนี้เลยอันนี้พอ โ, โกหกตอนแรกนะบถึงแม้จะโกหกแต่ไม่ได้เป็นไปอีกทีนะครับ เพราะว่าเป็นบุคประโยชน์นะความพยายามเบื้องต้นของขออธินาทางประราชิกณ์คนนี้นะครับจึงเป็นทุกข์กฎนะครับบ่ายลงนะบาย ล, นะบลงตัวส่วนครับทีนี้เมื่อเจ้าของมันเกิดความสงสัยนะสงสัยยังไงสงสัยว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนนี้ะราต้องมานทึกแล้ทีนี้เมื่อเจ้าของเขหมดหวงังทอดทุรานะโอ้ไม่ได้คืนแน่นอนทอดทุรานั้มันไใช่ของเราแล้อย่างนี้นะก็ต้องประราชิกนะทีนี้เรามาดูนะักคำอธิบายเนะี่ยยังไง เขาบอกว่าตัวอาสวนพิสุกา่าแท็บตัวอาสวนซึ่งเป็นของคนอื่นว่านี้เป็นสวนของข้าพเจ้าขอตมามมะนะโยงดังนี้เป็นทุ ก, กข์กดเพราะเป็นประโยคน์ด้ความพยายามแหาทีนทามที่สองนี่ยังความสงสัยเกิดขึ้นเจ้าของพิสุยังความสงสัยเกิดขึ้นแก่เจ้าของสวนเพราะความผู้ลาดในการไม่ใช่นะครับอจจาจาวะท่าโมหานดีนะชนะในการไม่ใช่สามารถทา คนผิดให้เป็นถูกเพาะมึผิดได้นครับจำตัวของเค ข, ของเ้าได้ดนไในการวิจัยนะนี่แหละนะครับหรือเพราะสายคนที่มีกําลังเป็นต้นตัวอาจจะไปมีพวกผู้มีทิพย์พลใช่ไหมมีกําลังยีอะไรคนก็กลวนครับชาวบ้านคนนี้ก็เห็นว่ า, าพระเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็เลยสงสัยก็มามฮเนี่ยแกก็ในขณะนี้นะฉลาดในการวิจัยแล้วก็มีผู้มีทิพย์พลนะครหนุ่หนึ่มเนี่ยเราจะได้ทุกบย่างคืออย่างไรนะครับ คือตามความจริงเจ้าของเห็นพิสูจนั้นซึ่งเป็นผู้ขวนขวายในการวินิจฉัยอยู่อย่างนั้นจึงคิดว่าเราจะอาจทําสวนนี้ให้กลับคืนเป็นของเราหรือไม่หนอยเริ่มสงสัยนะครับความสงสัยเมื่อเกิดขึ้นแก่เจ้าของแล้วก็ชื่อว่าพิสูจนนั่นแหละทําให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับพอไปตรวจเข้าก่อนเขาก็เลยสงสัยน้อจะได้หรือไม่ได้คืนนะครับ อ, อย่างนี้ครับพิสูจนนั้นต้องอภิปรายและจนะครับ เมื่อทอดทุเลานะครับว่าต้องปรารถิกก็เมื่อนายเจ้าของทอดทุเลาเสียด้วยคิดว่าพิสุนี้หยาบช้าทารุณโอ้โหร้ายการมากนะมันเพิ่งทำแม้เชงอันตรายแก่ชีวิและภพบรรจารของเราบัด น, นี้เราไม่ต้องการส่วนนี้แล้วนะครับเมื่อ น, นั้นพิสุพูดตูย่อมต้องปรารถิกนะหากแม้ตนจะเป็นผู้ทําการทอดทุเลาเสียเองก็ตามครับจะนิทานทีบายไปก่อนนะ ความจริงต้อง Cold, ทอดุลักทั้งสองฝ่ายนะครับท่านเจ้าของสวนด้วยท่านพิสุด้วยเจ้าของสวนก็ทอดทุลัว่าจําไม่ได้คือแล้วนะครับเรื่องของเราแล้วนะและพิสุก็ต้องทอทุลักว่าเราจะไม่ไห้แล้วเนี่ยก็ไม่คือตอนทอดทุลัทั้งสองฝ่ายเนี่ยจึงจะเป็นปราชิกถ้าทอดทุลัแค่ฝ่ายในฝ่ายหนึ่งเนะยังไม่เป็นนะครับท่านก็เลยอธิบายต่อว่าถ้าเจ้าของก็ทอดทุลัและก็ตามนะแต WOW. ่พิสุพูดตู่เลยยังไม่ทอดทุลั ยังมีความสาหาัสในอันจะคืนในอันนะครับอาจจะให้คืนนะทีเดียวด้วยคิดว่าเราจะบีบเจ้าของสวนนี้ให้หนักนะบีบคั้นนะแล้วสแสดงความแผ่อํานาจของเราตั้งแต่ของสวนนั้นไว้ในความเป็นผู้รับใช้แล้วจึงจะให้คืนดังนี้ยังรักษ า, ายอยู่ก่อนนะคราบพอเจ้าของชักตุ่น่าแต่งผ้าหนึ่งคิดจะให้คืนนะแค่จะทําอย่างนี้นะจะบีบบังคับเขานะ ถ้าแม้ที่สุตูเอานะครับครั้งแรกชิมเอาแล้วก็ทอ้อทุน่าเสียอด้วยคิดว่าบัต น, นี้เราจะไม่คืนสูงให้แก่เจ้าของนี้นะครับแต่เจ้าของยังไม่ทอ้อทุนนะครับยังไปแสวงหาพังพ่วงรอคอยเวลานะว่านะครับเราได้ท่านชีมบริษัทเสียก่อนภายหลังจากลูกกันนะครับยังไม่เคยยังพยายางอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่ต้องกลาชิบนะครับยังรักษาไว้ แต่เมื่อใดแม้พิสุผู่ตู่นั้นทอดทุราสเสียด้วยคิดว่าเราจะไม่คืนให้ทั้งเจ้าของก็ทอดทุราเสียด้วยคิดว่าเราจะไม่ได้คืนทั้งสองฝ่ายทอดทุราเสียดังกล่าวนี้เมื่อนั้นพิสุตู่เป็นประหาดชิดนะครับครับต้องขอบค่านี้นะครับถ้าบอกว่านะครับมันมีอย่างอีกนะถ้าว่าพิสุผููนะครับเป็นประหลาไปตู่กลัวตัวส่วนสุตคนนี้นะครับ แปัญหาภาคผู้อื่นที่เป็นภาคด้วยกันนะครับให้มันเป็นผู้ภาคสะโกงเป็นพยานโกงดําเนินคดีแบบโ ก, นบนกบ ง, งนะครับให้เกิดประโยชน์แก่ผู้พิสูจนผู้ฟ้องร้องนั้นนะครับก็เป็นปรานคิดด้วยกันทั้งหมดนะครับ<ส><ข>พอสมมติรวมคิดกันนะโด น, ะนหมดเลยไม่ได้เลยนี่นะครับอันนี้คุณสร้างความปราชัยด้วยอำนาจเจ้าของธุรเท่นทานั้นนะครับถ้าเจ้าของยังไม่ทอดทุระจงว่ายังไม่แพ้ทีเีวนะครับ อันนี้นะถ้าเจ้าของแพ้เขาทอดทุนละกุบนะครับพระไปประราชิกแต่ถ้าพระแพ้เองนะครับไปนามแบบอะไรถ้าบอกว่าแม้ท่าตนเองถึงความปลาชัยเพราะคามีภาคษาที่เป็นไปโดยทาดําโดยวินัยโดยศัตุศาสตแม้ประการอย่างนี้พิสูจน์นั่นก็ยังสร้างมาถุนละใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไปทําการบิดคั้นเจ้าของน ะ, ะ, น ะ, ะด้วยการกล่าวเทศบัญญัติครับพระน่าโดนประราชิกแพ้เขาโดนทุนละใจะครับ เราไม่คินต้องลองนะโยมข้อไปทำไม่ดีได้ในอยางมากเลยนะครับหนาไปสูงเข้าได้นะนครับดี๋ยวตัะนี่ยน ต, ต่อไปคบอันนี้เนี่ยหานดต่อไปคาว่าหาเลยยะหรือว่านาไปนะครับมีความว่าีิสุกกำลังนำสิ่งของของผู้อื่นไปนะอันนี้หมายความว่าอาสาจะนำของเข้าไปนะครับ เห็นเขานะถือข้าวถือของไปหรือว่าต้องการของไปที่กวอาสารอ้าโยมจะมาชื่วถือให้เองนะชื่อยนำให้เองงไงจะมาอีกไปที่นั่นพอดีอยู่แล้วเดี๋ยนจะมาให้นะครับกําลังนําสิ่งของของผู้อไปเกิดคิดจะขโมยนะครับจึงลูกทาสิ่งของบนศีรสะตั้งบัตุกดนะครับเชว่าทูของไว้บนหัวนะก็ลูกําก่อนนะครับเพื่อกทําให้ไหวนะครับเคลื่อนจะยกขึ้นนะ อันนี้ต้ อ, อนอวบสุดใจยกลงมาที่บานต้อนแบบปราชิบนะครับตรงนี้เกี่ยวกับว่าฐานเลยนะมียกมาที่บานหรือว่าให้พ้นสีสันไปนะครับพ้นจากฐานเขาจะเป็นแบบ ป, ปลาชิบลองดูในะนทายภาษาขึ้นใหม่นะตรงแรกเขียนมาให้ข้างล่างนะครับท่านจะแบ่เป็นฐานในการถือสินของไปนะฐานที่หนึ่งไม่ว่าฐานสีสันนะครับ ฐานศาีรษะเนี่ยจะบอกว่าตั้งแต่ไรเนี่ยลากขวัญตรงท้ายผมถึงตั้งแต่หัวเลยนะเรามาถึงรากขวัญตรงท้ายผมนะครับแน่จรหงเลยพวกนี้เป็นฐานศาีรษะนะครับสองฐานบา่าตั้งแต่จรหงตรงนี้ใช่ไหมจรหงลงมาครับถึงลุมลิ้นปี๋นะครับแล้วก็รากขวัญกลางหลังนะว่าอย่าตรงกันก็มาถึงข้อสองนะครับในบริเวณนี้นะใต้บ่าลงมา นี่เมันฐานบา่านะครับถ้าเป็นฐานเอลก็ตั้งแต่ใต้ฐานบา่าแหละใต้ฐานบ่า ล, ลงมาจนถึงปลายเล็บนะครับถ้าเรายืนนะมันมือนี่นะครับท่านถ่ายบาถึงปลายเล็บนี่ฐานเอลแต่ถ้าเป็นฐานมื อ, น, ม อ, อ, อ, อะนะนะครับฐานมือคือเราหิ้วของไปด้วยมือนะนะครับอันนี้ตั้งแต่ข้อสองไปถึงปลายเล็บนะครับพเพราะเวลาเอาของไปเอาของไม่ได้สีส่ลักษณะใช่ไหมทุบบนหัวก็ได้แบะบนบ่าก็ได้ หรือว่าอะไรนะขี่ลงไปก็เดียดไปได้เสียเอวใช่ไหมเดียดไปเสียเอวก็ได้หรือว่าขี่ลงไปด้วยมือก็ได้ครับทีนี้ถ้าเคลื่อนจากกระลาฐานกระลาฐานที่ว่ามาครับก็เป็นประหาดที่ครับจะเคลื่อนขึ้นเคลื่อ น, นลงก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นประหลาดจริงนะครับถ้าจะดูงานนียก็คืออยู่หน้าหนึ่งร้อยห้าสิก้ามาดูตรงนี้เลยอันนี้สรุปแค่เลยนะเขาบอกว่าไอ้ตรงลากไปลากมานะ อันนี้ยังไม่ต้องยังไม่เคลื่อนจากานเมื่อพันด่าดนั้นพอเธอลดลงถู่พอเคลื่อนจากฐานคอนะแม้พวกเจ้าของจะมีความคิดว่าจงนําไปเถอะนะครับถึงว่าของเจ้าของจะคิดอย่างนี้นะดังนี้ก็จริงถึงกระนั้นนะครับก็ต้องประราชิษเพราะตนไม่ได้ถูกพวกเจ้าของสั่งไว้ครัเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งให้ฉันถือให้ฉานอาสาจะถือของเขาไปเองจร้งครับพอเคลื่อนจากฐานคอลงมาบานะ่า ถึงแม้เขาจะคิ้วอ้าบได้เถอเนี่ก็ต้องประหาดจริงแล้วนครับแต่ว่าถ้าแม่เราลงสู่บ่าลนะให้พ้นศีรษะไปแม่จะตายเส้นผมนเดียวนะครับนี่ก็เป็นประหาดจริกันนะครับคือฐานที่เหลือก็เหมือนกันนะคือยฐ า, านนั้นก็เป็นประหาดจริงนะครับที๋ยวเรามาดูฐานมือะฐานที่คิ้วไปด้วยมือนะมีพิเศษนิดหนึ่งนะครับจะบอกว่าพาล่างนั้นจะเป็นของที่ถือจากพื้นถ้าพื้นก่อนทีเดียว พอเราหยิบมันจากพื้นใช่ไหมหรือจะเป็นของที่ถือเอามาจากสีรษะเป็นต้นที่ถือมาจากเจ้าของนะอาศัยให้ไปให้นะครับด้วยจิตบริสุทธ์ก็ตามทีตอนแรกนะอันนี้ก็ถือว่าเราถือเอาเรื่องนีเท่านั้นแหละเม <ME> ื่อพิสูจเห็นที่รอกชักเช่นนั้นจึงปองพาล่านั้นลงที่ผ้าพื้ น, นี้ที่กอมาเป็นต้นด้วยไถยจิตนะครับโอ้ยเศราเรือ่องนี้แหละครับด้วยไถยจิตแล้วนะเมื่อพาล่านั้นสักว่าพ้นจากมือเป็นปร า, าทิต เมื่อพิสูจน ป, ปงพาลาเหล่านั้นอ ย, อย่างใดอย่างหนึ่งลงบนภาพตัวเลขจิตบริสุทธิ์เพรห่งมีอาหารเช้าเป็นต้นนะครับโอ้จะฉันช้าก น, นเนี่ยแต่ยังไม่ได้คิดขโมยนะระวังลงก่อนนะครับฉันเสร็จนะครับแล้วกลับยกขึ้นด้วยไถยจิตนะแม้เพียงเส้นผมเบียงเครื่อจักรฐานนะอันนี้เป็นปาฉเีเนี่ยอันนี้นี่เปัปอบผ่ า, อ, า, า, ายยอันนี้ไปนําไปต่อไปคําว่าอว่าอะไรยะอันนี้แปว่าลักเอาครับ ว่าหันระยะรับเอามีความว่าเจ้าของทรัพย์ทวงเอาทรัพย์ที่ตนฝากไว้ว่าท่านจงให้ของของเราคืนนะครับหมายความว่าเขานะครับเอาของมาฝากไวนะ้นะครับบรรดาสายเข้าของมาฝากไว้หครับแล้วต้ก็มารับฝากของนะพอรับฝากของปุ๊บนะครับมันได้เวลากำหนดเขาก็เลยมาทวงของนะครับพิสูจน์การว่าเราไม่ได้รับไว้นะครพิสูจน์นั่นต้งมาทุกคนอา้าวโยมตมาไม่ได้เก็บไว้เท่หน่อยเนี่ย ยงพูอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่ชีนะใครอะไรฝากที่ไหนเมื่อไหรเนี่ยโยงพูดอย่างนี้ได้ยังไงจะไม่สมควร <Okay. S 1> จะมาไม่รู้เรื่องยงฝากอะไรของอะไรที่ไหนนะครับก็เป็นใครถือไม่รู้ไม่ชีนะอย่างเงี้ยต้างมาถึงกฎนะครับโอ้แต่นี่แบบหูอยากมากนะอนที่ท่านว่านะไม่มีกรคำชั่วอะไรที่คนโกหกจะไม่กล้าทําช่ไหมอันนี้แบบกล้าโกหกหน้าหน้านเลยนะครับไอ้เราฝากแต่ก็ บอกว่ามาใ ไ, ได้ลาว้นะทําให้เจ้าของเกิดความสงสัยนะครับนี่จะได้คืนหรือไม่ได้คืนเนนะครับอันนี้ต้องบัตรถุนใจเจ้าของหมดหวังได้คิดว่าไม่ใช่ของเราต้องบัตรปราชิกนะครับอันนี้ก็คำนิยามอันที่คล้ายๆกับการตารวจสวนต้องมีการทอดทุระทั้งสองฝ่ายนะครับนึ่จะต้องปราชิกถ้าพราะไม่ไอดทุระหรือฝ่ายใดฝ่าย น, นี้ไม่ทอดทุระเนี่ยก็ยังไม่โด น, นะครับ ก็มันเมื่อกี้น่ะอาจจะแกล้งเจ้าของก่อนนั่นยังไม่ทอดทุนร้านแต่คืนให้นอยู่นะครับแต่จะแกล้ให้ท็จเล ย, ยนะครับบีบางคำอะไรพวกเมื่อกี้นะก็ยังไม่เป็นครับแต่เมื่อทุนร้านน้องสองฝ่ายก็ทอดเป็นประหลาดใจแล้วทราค า, าได้นะคำที่ใบหน้าร้อยแปดสิบสามนะครับแปดสิบสามนี่นะน้าร้อแปดสิบสามแต่ถ้าพิสุบอกว่า คือเจ้าของเกิดความสงสัยที่มายอย่างไรครับเขาเกิดความสงสัยว่าเราได้บอกทราไว้ในมือของไม่สูนี่ในที่ลับคนอื่นไม่มีใครรู้เธอจะให้แก่เราหรือไม่หนอใช่ไหมครับเราจะไปอ้าพยานห ล, ลักฐานมาว่าเนี่ยเราฝากของวันนี้เขาพานะก็ไม่ได้เพราะว่ให้ของในช่องไม่มีใครขใเห็นนะครับใครสงสายเอ๊จะได้คืนหรือไม่ได้คืนนครับเขาเป็นนักใจนะครับ เขาบอกว่าแต่ถ้าพิสุทธิ์ไม่มีอุษาหะในอันให้นั้นเจ้าของพันดกกักทอดทุละว่าพิสุทนี้จะไม่ให้แก่เราเป็นประลาชิกแกพิสุทธิ์ทอดทอดทุระของทั้งสองฝ่ายย่ประการชนนี้แต่ว่าอนี้นะอัน น, น, นี้อันนี้มีพิเศษนะครับหน่อยแต่ไม่เป็นอาบดแกพิสุทธิผู้ย้ายพันดัชื่อว่าของฝานะั้นคือข้าของมาฝ่ากรางนะล้วก็สามารถย้ายขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ได้นะครับ ตะย้ําในจิตบริสุทธิ์นะ่ต้องการให้อยู่ที่ ท, ที่ปลอดภัยจะได้มันมีแค่เอาไปนะครับหรือยา้าในจิตที่จะรักก็แล้วแต่นะครับก็ไม่เป็นปัญหาชิบเนีย่ยนะคือยังไม่ได้มาทวงนะแต่เรายา้ําในกิตจะรักก็เอาไปเข้าบุติีัานะราหมดนี่เป็นปัาชิ้นก็เพ่ออะไรไเพราะเห็นว่าเพราะเป็นของที่เขาฝากไว้ในมือของตนเพราะเขามาฝากกับเราเองนะครับแต่ว่าเป็นพนักไทยนะ ถ้าจะขอมาถูงก็ต้องคืนให้ถ้าไม่คืนเมีการอทาอดทุ่ากกอบลาชิซซอนนั่นคะครับมันจะแต่ของที่เราอาสานาไปเองใช่ไหมอ<า>ของที่อาสานำไปเองมั น, นที่ได้เกินจากฐานสี่มินนีินะครับ น, นั้นเป็นปลาชิเงยแต่ น, นี่ต้องมีการอทาอดทุลากกอบนะครับถึงเป็นปลาชิพวกเขามาฝากเราไว้ครับเจ้าของเขาฝากฝากุว้เนี่ยนะครับโอ้คับ เขาไมา่ได้ฝากเราอาสารน้ำใช่ครับใช่ครับใช่ครับตอนตอนแรกบริสุทธิ์ใช่ไหมครับครับเี่ตรกจิบริสุทธใช่ใช่ใช่ครับือแบบอาสาเนี่ยอาจารยจะนําให้เองโยงครับเหมอว่าตัวยองไปยู่นอยู่แล้วใช่ไหมครับก <im> ็อาสาจะนําให้เองครับอ <im> ๋อเขาเคลื <im> ่อนจากฐานเ้านะก็โดนแล้ แล้วคิดว่าทอดรลางนี่คือโยมคิดว่าจะไม่ได้ของคืนนะครับอ๋อครับใช่ใช่แล้วถ้าก็จะไม่คืนแล้วถ้าเก่คพาคิดว่าจะไคือแล้วไปโยงคิดว่านี่สงสารอย่างไรตากับพระนี่แล้วก็ไปไหนก็จะไไม่ได้ที่ไรนะี่อ่ามันก็เป็นภาษาไทยเพราะเราไม่คุยให้ครับเนี่ยเขาไม่ได้ทอนท่างกับพระไมทอดร่างใคร สงสัยใช่ไหมเคยได้ฝันมันเลยฝักกันแน่นใช่ไหมครับอืมทอดทุลาหแล้วมันไม่แต่ไม่ได้ทอบทุลกับแตำออแต่ก็ทอทุราห์นะทอดทุลามันไม่ได้แล้ว่หมัหาไม่เจอได้นี่นะข้าวข้างในข้หนึ่งก็โดมค่ะใช่ใช่ถาโดมข้ามันจะมีเทียบเคียงได้ โดนะดนอยอคิดแบบว่าไม่ได้แล้วุีแค่นี้มนะันคิดคือแล้ ว, ว, ลวกับ แ, แล้วปกินนะก็คือกับใทีหลังใช่ไหมเขาด้วยทั้งสองขานไม่ดีร้อยแล้วนะกับใจทหลังนี่ไม่ได้นะนะครับเลาที่น่นแต่ตอนนั้นสนครับคือมันจะมีเทียบเคียงนะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับที่หนุี่เก่งานะเทียบเทียงที่ว่านะมันจะมียงเขา้า อของนะครับไปวางไว้แล้วก็ลงไปเล่นนะถ้ามันเจอเข้าก็มาซ่อนของไว้นครับยังไม่ได้ขึ้นจักรฐานนะเอาใบไม้เอาดินมาเกาะนะครับติไม่เลยว เ, วลาเาา้าของเล่นน้ำเลยออกมาหาของไม่เจอนะครับอาจจะเป็นของมีขม้าว ม, มีแหวกเป็นอะไรนะเขาหาทั้งวันไม่เจอมึนแล้วใช่ไหม ก, ก็เกลับไปบ้านก่อนแต่ยังมีอะไรที่จะมาเอานะครับอันนี้พอพระมาทานไม่ขึ้นจัดรฐานพวกก็ยังประนชิกเลยแต่พอวันต่อมาเจ้าของ ผมว่าพายอยู่ในขึ้นไปไหนนะว่าต่อมาเจ้าขอก็มาโคน้นอีกค้นไปเข้ามาโอ้ไม่เจอเลยครับอ่ะไม่เอาแล้วนะครับนี่แหละไปนะครักลับไปเลยแล้วที่สุดก็มาหยิบขึ้นจากฐานะครับอย่างนี้มันเป็นประหลาดชิกเพราะว่ามันเป็นเจ้าของทอดทุนละนะครับอย่างนี้นะนะครับแต่ว่าเป็นขนาดไทยขเขาเพราะว่าการที่เ่าทอดทุนลเพราะว่าตนเองเป็นต้นเหกนะครับต้องชใช้คือในเขานะนะครับหมืนล้องลียนนะครับ หรือถึงแม้เป็นอย่างนี้เจ้าของยังไม่ทอดทุระหรอกแต่ท่านอ่ะพลาดท่านเออๆเองว่าเอ้าเข้าุณทิ้งแล้วแหละข้าถมไม่เจอนั้นเสร็จเราเป็นของเรานะครับเถ้าเราื่องสําคัญว่าเป็นของบรรกคุรุที่เข้าทิ้งแล้วนะคะรับอยู่เถื่องสำรองเป็ น, นของเราเมื่อเราเป็นคนซ่อนไม่ว่าต้องเป็นของเราเจ้าของก็ไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละก็ยัไ ม, มะะ่เป็นประชิดครับแล้วเป็นพนันไทยอยนกันนะครันี้ก็ต้องคืนให้ ถ้าข้อก่อนนี่ข้าออะไรายันมันไม่ได้นะคาารับข้ออะไรยันมันกินไม่ได้เลยรนะถึงมันจะของจะอยะ่างง้ก็โดนครับแต่ข้อที่ข้อนี่ข้อฝังไวนะ้เนี่ยเราจะหมายว่าถ้าเอาไบก็เอาไปเถอะใช่ครับเขาจะว่าไม่โดนน่าจะเพราหมกว่าเขาให้เราครับอยาก็เอาไปเถอะีคยขงเราในเราคิดจะรักคิดจะรักสองแร่คิดว่าไม่คืนใช่นหะครับ จะต ม, มาท้ทาทรมาให้จนไปเลยมันมีแต่ท้ทาทรมาจนไม่ได้คืนแล้ว <c oughs> แต่มันมีปัญหาที่ว่าเราไปเอาเข้อามาแล้วเนี่ยใช่ไหครับคือถ่จิต น, นะแต่ที่หลังเจ้าของก็มาให้แต่ว่าถ้าดูจากไถ่จิตที่เนี่ยบอกว่าแม้ทําไม้เพืนจากฐานแล้วก็ยังมีตัออาชีพพราเจ้าของมาฝากมาราไว้เอ ครื่องแานนี่ถึงไทยยะจีนแล้วทนรื่องแนนี่ก็เป็นประรชิก็เจ้าของมาฝากเอาไว้เองจะเป็นปราชิก็ต่อเมื่อเจ้าของก็ทอดทุันครับแต่นี้ถ้าเทอดแบบว่าทอดถวายไปเลยให้ไปเลยเอาใช่ไหมครับผมว่าต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องผมวเนจ้าของเขให้ล้วท่าี้มีตัวอย่างเจ็ัาทนเป็นกู้สิูซายาท่าั ก็ก็ซาหน้าดีพอถ้านี่จําเป็นก็นี่ต้องใช้ครับครับฟังพีนะครั บ, รบเส้นแสนนี่ปลกตูนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อมาเลยก็คําว่านะครับอิริยาปถามิโกปยะยางอิริยาบทให้กําเริบ ลวามว่าพิสุจนคิดว่าเราจะขโมยทั้งคนทั้งสิ่งของและให้คนถือสิ่งของนั้นเดินออกไปนะครัจบจะบักคำอ่ะปืนจี้เลยไอ้นี่ครับคนของไขอขโมยทั้งคนทั้งของแหละนะก้าวแรกต้บัตรุือหนใจนะครับพอก้าวที่สองต้บัตรปราอาชีพนะครับขโมยทั้งสองอย่างคนนั้นเป็นข่า 5, ใช่ไหมเอาขโมลไปใช้งานด้วยอะไรด้วยะครับสะดวกเนี้ อีอใช่อามีนี้นะแต่มีหรือที <k <k> <k <k uh ่ขโมยผู <k <k ้หญิงสมัยใช่ไหมลักหาตัวผู้หญิงแล้วก็ไปให้หายตัวไปอะไรไม่ใช่มันมีคาราวาสอย่านั้นแต่นี้จะพูดถึงพูดถึงว่าทขาอย่างนั้นแต่ไปอยู่หน้าว่า8แปดสิดนี่คำอธิบายอย่างนึงตรงนี้นะจะพูดถึงเกี่ยวกับข้างวโวยครับ ถ้าโทษท่าท่วอะไรแล้วก็พิสูจให้โทษท่า น, นี้ไปนะมันจะมีกรณีที่เป็นอัตตาชิดได้นะครับให้ท่า น, นี้ไปนะครับแต่บางทีเนี่ยท่านบอกว่าพิสูจน์ขึ้นว่าเราจะนำพันดะพ ร, ะรพ้อมกับผู้คนพันดะนั้นไปนครับอันนี้นะจึงคุกคามนะครับผู้คนพันดะไปว่าเองจงไปจากที่นี้บุคคลผู้คนพันดะนั้น ไปนะั้นไปกลัวจึงหันหน้าไปยังทิศตามที่วิสุทธิภูมเป็นโจรประสงค์ก้าวเท้าหนึ่งเป็นถึง ใ, ใจแต่วิบัติโจรอน้ว่าสนะทีนี้นะครับมันมีลักษณะอย่างนี้นะถ้าวิสู้เป็นโจรนะนะ เ, เห็นอาวุธนมืของมุคคลผูผลธนาดักก็เลยสว่าใสนะครับะหว่าใส่เขาตกใจกลัวอนไรอย่านีแต่นะเขาก็เลยทิ้งพันดักนั้นจากมือ ทำให้พันดา ต, ตกไปพอสักว่าพันดาอ ม, มือของผู้อื่นแล้วก็ต้องประราชิบพ่อไปขัวของเขาเนะ่ยุ้ยาของลงงนี้อ่าอ่าเหนืนี่ยเป็นาชิดเลยนะครับที น, นี้แต่ถ้าบอกว่าถ้ามีการกำหนหมายไว้ก่อนนะกำหนหมายไว้ก่อนว่าอเราจะทําให้สิ่งของตกไป แล้วจากถือเอาสิ่งของที่เราชอบใจนัน้นี้แล้วจึงทําให้ตกไปะครับอันนี้พอของตกไปพว๊บยังไม่เป็นเคล่อนให้มันตกแล้วไปเรื่อยดูก่อนไดครับเธอรูปนั้นต้องถูกกดเพราะทําให้สิ่งของนั้นตกไปและเพราะการจับต้อง น, นี้ต้องถือใจก็ทําไม่ไหวนะครับจับต้องถูกกดนะครับเเป็นถือใจก็ทำไม่ไห ว, ะะ ต, ะะไไหวต้องประราชิบเพราะทําสิ่งของที่มีราคาถึงมาเนี้เคลื่อนจัก ที่บอกตะโพแล้วองแล้ว้เราหยิบมาแล้วก็โยนิต่อแล้วก็เียไม่อาแล้วก็ไม่ได้าไม่ได้ถ้าอ่านที่มันทาพืไม่ได้นะครับแม้แต่ตอนแรกน่เสจเลยศีสห่าแล้วแก้ตันไม่ได้นะพิสูจลูกได้เห็นบุคคลผู้ขนสินของกาลังค้าวเดินไปจึงติดตามไปพานผู้ว่ายุดยุดเนี่ยวางสินขององค์ ทำให้เขาวางสิ่งของลงไม่รู้สิ่งนั้นก็เป็นประราชิตนะครัในเมือ่อสภาว่าสิ่งของนั้นพ้นไปจากมือของผู้คนไปเพราะคําสั่งนั้นเป็นเพตงนะครับแต่ถ้าบอกว่าหยุดเฉ ย, ย, ย, ยๆนะมันได้บอกยห้าวางสิ่งของลงนะครับบุคคลผู้ขนสิ่งของนั้นไปแล้วเห็นพิสูจน์นี่นะกลัวนะครับว่าจะมาฆ่ามาทำร้ายอะไรเนงะี้ยยังมีความห่วงใยในของนั้นอยู่ก็เลยซ่อนของไปนะครับ อาจจะโยนเข้าป้ายที่ล้องชั่นเฮียนะได้คิดว่าจะมาของคืนหลังนะครับแล้วก็หนีไปอันนี้ยังไม่เป็ลาร้าชี่เพราะการคําของตัวเองให้ตกไปนะครับม่เป็นปลาร้าชีเมื่อ ย, ยกข อ, ของขึ้ น, นะะแต่ถ้าพิสูจน์ด้กคิดว่าเอ้าของนี้เน่ย อ, อะไรนะได้ทําให้ของนี้นะครับสิ่งของนี้เมื่อเราทําให้ตกไปเท่านั้นมันก็จะเป็นของเราแล้ว พ่อเราไปทำให้เขาวางลงใช่ไหมมันก็เท่าออของเด็กของเราแล้วนอย่างนี้เลยครับแล้วกว็ถือเรื่อความสาคัญของตรงอันนี้เป็นพลัดไทยนะคะัหรือลือเรื่องความสาคัญว่าเจ้าของรถทิ้งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพลัไทยอยู่น ะ, ะถ้าเจ้าของรถถ่วงคืนก็ต้องคืนไม่คืนก็เป็นประลาสิบส อ, อง อ๋อพันดักไทยพันดัดไทยคือเป็นอะไรนะเนี่ยเป็นสินที่ต้องใช้คืนสินใช้เพราะว่าเป็นสินใช้ไม่ใช่อะไรพันดักไทยถ้าไม่ใช้ในของทอทุลักทอทุลัทั้งสองฝ่ายก็เป็นประราชิตนะถ้าของล่างหลังมันจะมีข้อลืมนะข้อลืมงนอันตรายนะเนี่ยทอดทุลักก็โดนได้นะครับ ขอไม่ขอยือมนะยืมปริมาณลืมขอลืมไปเลยนะครับพอดทุน้าเราเนี่ยเป็นนะครับต่อไปนะฮะอันนี้ผ่านไปได้เพราะเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงท่านเพราะท่าผมไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่นะครับเป็นไรไดม่อยู่ที่ต่อไปคาว่าฐานาจารเวยยะทำให้เพื่อนต่้ฐานอันนี้ง่ายนะครับความว่าพิสุขคิดจะขโมยจับต้องสิ่งของที่อยู่บนบก น, นะครับของวางธรรมดานะ ต้อมบัดถุนละถุนกดนะครับทำให้หวก็ถุนละใจนะยังไม่ขึนหยาฐานนะครับหวชิบันใจทําให้ขึ้นหยาฐานต้อมบัดปราชิดนะครับทีนี้เรามาดูว่าฐานเอาแค่ไหนเนะหรือว่าของเนี่ยมันเป็นของไน้ราคามัตกนะครับทําห้ขึ้นหยาฐานคือถ้ายกขึ้นเลยแม้ปลาเส้นผมนะครัขึ้นหยาฐานหรือว่ากดให้จงดินไปเลยนะมันขึ้นหยที่ตั้งตอนแรกขึ้นหยาฐานหรือว่านะครับเลื่อนมาเลื่อนมาข้างหน้า ถ้าเลื่มาข้างหน้านะครับต้อยที่สุดตรงนี้นะเลยตรงนี้นะครับนี่เลื่อนมานะจนเลยด้านเมื่อกี้นะครับหรือว่าถักไปข้างหน้านะต้อยตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตรงนี้ไปเมื่อี้ถักไป้นเลยเลยจะขึ้นนะสร้างซ้ายสรางขาเหมือนกันถ้าที่สุดอีกด้านหนึงเลยที่สุดอีกด้านหนึ่ไปจะยั่วขึ้นจากฐานะครับก็เรียกนมาให้พ้นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ก็เรียอมาให้พ้นตรงนี้เลยครับถ้ามันยัไม่พ้นตรงนั้นชื่อว่าไม่ไหว เป็นสิ่่าครับอ๋อครับยกแล้วหรือยังยังไม่คล้อยันนอย่างใช่ไหมยังยังยังอยู่ครบอยู่ต้องรออะไรไหมครับอย่างนี้รอใ่ครับปุ๊บแรกนี้ไม่ข่อนอย่างไอ้ตรงที่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมมันยังยังไม่เลยตรงเมื่อกี้ใช่ไหมมันไม่โดนถ้าขึยนนิดนึงโลยครับจนเอ่ออะไรใช่ไหมอ๋อชช่ครับครับ เออเลยท่ามาทัามาซื้อเลยเพราะมันซื้อมีขอบมีต้องเลยอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างนั่นโดนเลยนะครับเพราะว่ามังถ um ือว่าทงไม่ไอที่สุดด้านนี้นะเลยด้านนี้ไปครับยังข่ายยังข่ายังข่ายยังข่ายครับเป็นถือว่าใจบ่ายข่ยีฮ่่ ส่วนนานาผันดับนาณาผันดับบรรยกาศพึงทราบอาถรรพานเท่านี้ก่อนนะครับส่วนเอกกาผันดับบรรยกาศพึงทราบว่าเกี่ยวข้องกับธาหรือสติลฉาที่มีเจ้าของที่วิสุตตูเอาลักเอาขโมยเอาทําให้เคลื่อนจับฐานหรือนะครับหรือท๊าทําให้เคลื่อนนะจากอิรียาบทหรือให้เพื่อนจักฐานโดยวิธีมีการตูดเอาเป็นต้นตาที่กล่าวไว้แล้ว นี่ไปดูเรื่องท่านะครับอยู่หน้าร้อยเก้าเก้านี่ไหมร้อ้าเก้าร้้าอแรกบอกว่าการิ น, า, น, า, น, า, น, า, นากคาาัยังไงกับอการาาะรการท่านจะมีการพูดถึงทั้งขอที่ต้องมีญาิแล้วไม่มีญาินะครับแต่ถ้าเอากานี่ก็เปิน ที่บงเรื่องสั้นมีมยานอย่างเดียวนะเลยใช่ใช่ใชค่นี้เครับ <c oughs> เรื่องท่านถ้ามาดูมามาดูท่าอะไรเป็นยังไงนะเ <c oughs> นี่ยถ้าบอกว่านะครับโอ้โหันนี้ขนาดนี้เลยนะ <c oughs> ท่าจะขโมยท่า น, นะครับยกขึ้นทั้งตัวนะฉุดมานั้งตัวเลยนะ <c oughs> ตอนรูปคำก่อนนะคะนี้ต้องทุกกด เมื่อเธอจับที่มือหรือท้ายกขึ้นนะครับผมยกขึ้นเลยนะอันนี้ทําให้ไหวนะครับต้องถือใจเพราะจะไมไ่ขึ้นฐานนะเธอค่ายจะหนีไปนะครับให้น่วงเลยฐานที่ยืนอยู่แม้ตึงปลายเสผมต้องปะลาชิกนะครับเธอจับที่ผมวิทย์แขนทั้งสองฉุดข้างไปพึงปรับตามย่างเท้าย่างทา้ า, ท า, า, ทาแรกก็ถือใจที่สองก็ประลาชิกนะครับแต่ถ้าว่าผมขู่ไปนะคิดว่าจะพาเดินไปนะขู่หรือว่าตีนะครับ ไม่ไปไม่ฝ้าอะไรที่นี่นะไอ้แล้วเพราะว่าแกจงไปจากที่นี่นะครับเมื่อเขาไปอย่งาาที่สาภาคคืออามทิศนะที่พิสูจน์นั้นสามต้องแบบปราชิกในย่างท้าที่สองนะครับแม้พิสูจน์เรานั้มีฉัมทะล่วมกับาพิสูจน์นั้นนะครับเป็นปราชิกในขณะเดียวกันแกพิสูจน์เหล่านั้นทั้งหมดนะครับงงกูที่คดีกโดนหมดเลยนะแต่ถ้าพิสูจน์ใดนะครับถามถึงสุนัขทุกนะหรือไม่ถามก็ตามแล้วแต่ ไปพูดกับท่านี้ครับอันนี้ไม่ได้ขโมยมาแต่ไปบอกให้เขาหนีไปแกจงไปจงนี้ไปอยู่เป็นสุกเถอะนะครไอเราอยู่นี่ทําไมไันนี้มันกาไกลๆนะถ้าท่านนั้นหนีไปไซ้ายต้องอาแบบปลาที่ย่างเท้าที่สองครับโอ้โหโดนเหมือกันนะอือนะครับพอสาวท่าน น, นีเจบบนะาองพิสูจนพูดกับท่านคนนั้นพูดเข้ามาถึงสำนักตนว่าแกจงหนีไปเนะครับถ้าแม้ตั้งร้อยลูกนะ พูดเหมือนกันเลยถ้าคนนี้เขาไปหาพ้าในวัดทั้งลูกใช่ไหมครูก็พูดเมืกันแก้ตรงนี้ไปเธอหนีไปเลยแกจะหนี้ไปนะครับเออครับก็เป็นประลาชิงด้วยกันทั้งหมดนะครับโอ้ยเนี่ยโดนสงสสู่รูปใดพูดกับท่าพูดกาลังวิ่งหนีไปนั่นเองว่าครับเข้าไม่หนีแล้วนะครับแก้จะหนี้ไปตลอดเวลาที่เจ้าของยังจับแกไม่ได้เธอรูปนั้นไม่ต้องแบบประลาชิงนะครับเพราะว่าเขาหนีไปอยู่แล้ว แต่ท่าผูกับนท่าผู้ก็ค่อยๆเดินไปนะเขาค่อยๆเดินไปและท่าคนนั้นรีบจ้าเดินไปแล่ยสีเท้านะตามคำของพิสูจนั์นั้นจึงเป็นปราชิตเมื่อพิสูจนเห็นท่าผู้หนี้ไปยังบ้านหรือประเทศอื่นแล้วไล่ให้หนีไปแนมะ้จากที่นั้นก็เป็นปราชิตเหมือนกันจงว่าอภินาถาสิกขาบทรักธรรเนี่ยนะย่อมพ้นได้ด้วยปริญายังไง คือเราไม่ได้บอกให้เขาหนีไปโดยตรงนะครับอทําเป็นถามนะที่สู่ผู้อย่างนี้ว่าเธอทําอะไรอยู่ที่นี้หนีไปไม่ควรเนอะอยู่นี่ลาบากังตายเนี่ยเออหนีไปไม่ดีนะเนี่ยไม่ได้บอกจงหนีไปเลยเนะสนิทไปแต่ไม่ได้บอกะครับการที่เธอไปที่ไหนๆนั้นมีชีวิตอยู่อย่างสบายไม่ควรหรือ น, นะคพวกทารักสาวใช้ก็เออก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะก็พากันหนีไปอย่งที่อื่ น, นะครับ ดังนั้นไอนพ้พูดอย่าง น, น, นั้นยังไม่หนีครับพ่อท่านและสาวใช้พากนันหนีไปยังประเทศชื่อนู้นแล้วย่อมอยู่เป็นอย่างสมานย่อมเป็นอยู่อย่างสมานก็ดีครับเขาพูดนะพนานาว่าหนีไปแล้วมันดีนะครับและเขาได้ฟังคําของพิสุนั้นแล้วก็หนีไปย่อมไม่เป็นอาวมานไม่เป็นนะครับ เพราะว่าบัวชให้คนที่เป็นท่านใช่ไหมครับคนเป็นท่านบวชไม่ได้เป็นธรรมบุตรกง น, นะครับเข้ามาอยู่แล้วองบัดก็หายใช่ไหมครับองก็หายอง <c oughs> ก็หายนะเพรานะ <c oughs> ไม่มีบัตรนะครับไม่มีบัต น, นะเป็น <c oughs> บุคคลที่เอไม่ควรให้บวชนะครับแต่ถ้าบวชมาแลา้วก็ไม่ต้องจับสิ่งนะไม่ต้องจับสินะ่ง มันแต่ถ้ารู้แล้วก็มันควรทํ า, านะแต่ถ้าในเรื่องของพิษณุณีนั้นไม่ได้พิษณุณีก็มีอาบัต น, นะนะครับแต่ถ้ามีเรื่องของท่ า, ทาอะไรเงี้ยแกเข้ามาบวชนะครับเป็นผู้หญิงเนี้ยบวชพิษณุณีนะครับนี้พิษณุณีน้าหนาก็ไม่ได้พาเขาหลงไปนะก็อยู่ที่นั่นแหละทีนี้พวกนายก็จับตัวกับเบิเหมือนเดิมครับอ่ะก็เป็นท่าเ น, นี่ยสาวใช้เหมือนเดิม น, น ะ, ะบวชพิษณุณีได้ยังไง พวนี้ก็โผล่แล้นมีดูอะไรพิสิลุงพิสุณีนะครับจับไปได้อย่างนั้นแหละนะนี่แหละนี้พระองค์ก็เลยมีบัญญัติข้าบวชว่านะครับอพิสุณีที่บวชบวชนะนะครับบวรูปศิษ์แล้วนะบวชสันที่วิหาริษอะไรเข้ามาแล้วนะครับต้องพาจาริกไปที่อื่นนะครับต้องพาจาริกไปที่อื่นนะครับอย่างน้อยนะครับสี่ห้าโยกนะครับห้าหกโยกนะนะี่เหอันอย่างง อันนี้ยอดยไม่ต้องประลชิกด้วยนะครับถ้าบอกว่านะฝ่ า, ฝาทยพุทธในพูดว่าพวกอธ า, ารมาแต่ไปยังประเทศนู้นผู้ไปประเทศนั้นแล้วย่อมไปอยู่อย่างสบายแล้วเมื่อพวกท่านไปพร้อมกับพวกอธรรมารจะไม่มีความลำบาก ด้วยเสบียงทางเป็นต้นแม้ในระหว่างทางดังนี้แล้วพาเอาท่าผู้มาพร้อมกับตนไปนะครับที่สุนัขนั้นไม่ต้องประลาชิ่ด้วยทายะจิตนะครับทั้งอาหารก็ไม่มีเพราะอำนากแห่การเดินทางนะครับเพราะเขาจะมาด้วยเฉยเราบรรยายน้งมันดียังไงครับถ้าว่าเกิดมีโจรดักซุ่มระหว่างทางนั้นุญกล่าวว่าให้พวกโจรดักอซุ่มดักแกจงรีบหนีไปจงหนีมา จงรีบมาไปางานนี้ก็ไม่เป็นอาาันตรายที่เพราะเธอกล่าวเพื่อต้องการที่จะาอันตรายใส่โจหรือประการคือเรื่องของวิษณุณีเมื่อกี้คืออ น, นนอนัตตุนัญญัตินะครับก็บัญญตั ต, ญญติของเรื่องที่ว่าเข้ามาจับเอาท่าขึ้นไปนะก็เลยเป็นแบบตอนนี้ไม่มีใช่ไมับนี้มัมีแล้วเล่านะ่าแล้วเล่าท่าแล้ผมแปลเรื่องเล่าเล่าท่า เลิกฆ่าเมื อ, องไทยดีนะครับไม่มีการแดงแะแต่เลิกฆ่าในอะไรนะส่ารัฐใช่ไหมที่เขาเลิกฆ่าทั้งแรกนะครับเมื่อก่อนเขาไม่ยอมเขาเยดยามผิผิวมากนะขนาดเขาฆ่าประธานที่บดีเลยคนที่เ ข, เขียนให้เลิกานีนะครับตนนั้นเาไม่ยอมเขาเหยียดผิวมากนะให้เราอาหาร อันอยู่ในพ้าบารีก่อนนะครับตอนแรกมีในข้าบารีก่อนแลาวสังฆาก็มาที่มาลแล้วก็แตะที่หมูดหมดครับองค์ออพาบารีท่านจะพูดถึงเป็นเรื่องๆนะครับซ<อ>้ำที่อยู่ในนาอยู่ในสวนอยู่อะไรอะไรนะซึ่งอาวน่เนี่ยท่านก็จะอามาจตรงนั้นนะครับแล้วก็มาไม้ใช้นี้ก็เทน่อนะครับในพระที่สุดนี้ขอความเจริญงอ ง, งาตั้งมาพระพุทธศาสนาจมจัดหน้หาวาร์ด้วยกันทุกท่าน